ก็กราบพวกเราพ่อครูและมูขสงฆ์ด้วยความเคารพยังสูงครับขอจารย์ดำทำดีพวกเราทุกๆคนนะแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการวิธีอริยธรรมในขณะนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2556แรม7ค่ำเดือน7 ถ้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแต่คงยังไม่ใช่วันสุดท้ายของชีวิตนะ <c oughs> หลายๆชีวิตที่ต้องจากโลกนี้ไปเนี่ย <c oughs> เขาก็คงยังไม่รู้ว่าเขากลัจะได้สิ่งที่ดีสุดให้กับชีวิตของเขาอันนี้ดูข่าวข่าวที่รู้สึกว่ามันมันเหมือนกับสภาพสังคมไทยทุกวันนี้ที่ไม่มีทางออกอ่ะนะบอกว่าเครียด ลูกเป็นมะเร็งกรอบพิษหนีทรมานแม่ทดยาตายตามด้วยคือแม่นี่เขารักลูกของเขามากนะแต่ลูกเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม่เขาสาวออกมาดูแลนะแต่เขาสึกว่าไม่อยากให้ลูกเขาทรมานเขาก็เลยกรอบยาให้ลูกลูกก็ตายนะแล้วตัวเองก็โคมา่าอย่างเงี้ยก็คือ ชีวิตก็รักนะอั น, นี้มันนี่ก็เหมือ น, อนมอนตะกับมันเหมือนสภาพประเทศไทยชุกวันเนี่ยนะเขาอีกเขาโอบกันไปอยู่อย่างนี้แล้วก็มันหาทางออกไม่ได้อีกข่าวนึงเนี่ยนะรวบหลานทรพีแทงดับตายายอสารภาพสิ้นเพรติดการพนันบอลญาติญาติที่เขาญาญาติคนสนดิทเนี่ยบอกมันเป็นเหตุการณ์ที่เขารับไม่ได้กับสภาพที่เกิดขึ้น ขอลานเนี่ยตายายเลี้ยงมากับมือแล้วก็รักภูมพักทนูถนอมเนี่ยมันมันมันเป็นเป็นเรื่องที่เขาเขาเขามันไม่สามารถรับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะว่าไอ้หลานที่ภาษาเลี้ยงมากับมืออย่างธนุธนอมเนี่ยเราจะมาฆ่านะตายายกา็ยุมากแล้วแปดปีแปดสิบเอ็ดแล้วเขาก็ ถ้าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดูแล้วสังคมมันไม่มีทางออกจริงๆหลานก็ข้าข้าคงยายนั่นไปแหละนะบอกมีดพายมันพังพักไม้พักพักไม้พักมืออะไรไปกับวาดแล้วแต่จะแก้ตัวไปท่นี้ก็เป็นเป็นสภาพที่สังคมไม่มีทางออกดูคลรวัดาาวาก็ไม่มีทางออกนะดูพระก็ไม่มีทางออกเหมือนกันนฟังพระเจ้าสํานักที่ ดังที่เป็นข่าวตัวนี้มีหลายสำนักด้วยนะดังเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าสำนักไหนแต่สำนักที่กำลังยังขึ้นหน้าหนึ่งอยู่เนี่ยคือท่า น, อ, นอดีตนามิโซโอคาเวซโกเนี่ยบวดมา3ามสิบแปดพรรษาถ้าใครดูคลิปหรือให้ขับตอพาน์ทก็จะบอกว่ า, วาจริงๆบวช38นแปดพรรษาเนี่ยไม่คิดจะศึกไม่คิดจะแต่งงาน แต่พอไปเจอบุพเพสันนิวาสบุพเพ า, ารวาสนะก็เลยต้องทั้งที่คิดว่าฐานที่แปดต้นสาเน่น่าจะมีความรักในชีวิตพ ม, มจันทร์รักในธรรมินทร์เขาจะตัวก็บอกเองเลยว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้ไม่เคยคิดเรื่องศึกไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานนะแต่ก็ต้องออกไปอันนี้ก็เหมือนชีวิตไม่มีทางออกเหมือนกันนะเขาก็เลยต้องเดากันว่ามันออกไปเพราะอะไรนะเนะี่ย เพีงี่ไม่ได้คิดจะศึกไม่ได้คิดจะแต่งงานเนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็ออกไปนะออกไปเพราะอะไรเรื่องทั้งหมดนี้นะก็คงจะสรุปง่ายๆคือว่าเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมะจนให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงนะในสิ่งที่เรียกว่าอาวิชชามาชาเช้า่อมาดูขอลับของคุณชัดชัดชลินชัยวัฒนะ์เขาพูดบอกว่าเขาเองเก็เคยบวชเดือนนึงอะ บวชมาเดือนหนึ่งแนละ้วเขาก็บอกว่า้การบวชนี่มันก็คงจะไม่ได้ล้างนิสัยเก่าๆอะไรมันก็คงไม่ได้หมดหรอกนะเขาบอกตอนบวชนี่หลวงอาเขามีหลวงอาเป็นเจ้าอาวาสหลวงอาก็ชอบดูมวยนะเ ข, ข, ข้าไปดูเขาเขาบวชเข้าไปก็เลยไปดูมวยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือนิสัยเก่าๆเคยเป็นยังไงมันบวชไปแล้วมันก็คงจะไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรกันไปหรอกนะก็คงอยู่กันไปอย่างนั้นไปมา เขียนไปเขียนมามันดูเหมือนว่าเอตอนอยู่วัดตอนบวช น, น่ะก็เลยเล ย, เลยดูแต่หนังสือกีฬามวยนะไม่มีโอกาสดูหนังสือธรรมะเลยมาดูตอนออกจากออกจากฝึกออกมาเป็นออกจากพระแล้วมาดูเป็นคารวะนั่นแนหะถึงได้มาศึกษาธรรมะฝังเขาเขียนใบเขียนมาแล้วดูเหมือนว่าเป็นพระเป็นคารวะมันก็แล้วแต่จะไปศึกษามไมาได้มันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เนี้ยนะเขาก็สรุปเอาประมาณนั้น จากประสบการณ์ชีวิตของเขาแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือชีวิตที่ไม่ได้ศึกษาให้รู้แจ้งรู้จริงก็ทั้งหมดนี้ก็กประมวลได้ว่ามันก็เป็นชีวิตที่ไม่มีทางออกดังนัน้นวันนี้พ่อครูรเตรียมทางออกไว้เยอะเลยเหมือนกัน <c oughs> ที่คิดว่าน่าจะมีทางออกให้กับ ทุกๆคนนะเราก็จะได้ไม่สงสัยว่าเอ๊ะมันออกไปกันยังไงเน่ออกไปแบบไม่มีรูป้อยไม่มีทางเลยแต่จริงแล้วเราไม่รู้ตัวเองแต่ถ้ารู้แล้วก็จะไม่สงสัยอะไรก็คงขอรัตนาพ่อครูให้ทั้งออกของชีวิตครับพูดกว้างเลวเกินให้ทางออก <c oughs> อัตมาก็ต้องอปรับเข้ามาหาทางมันกว้างเอามาให้มันแคบลงเลยเนาะ ทางออกที่อาตมากําลังพยายามบอกพวกเราสรุปทางออกให้แคบที่สุดก็คือมาตั้งใจเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วให้มันสมาธิๆแล้วเริ่มปฏิบัติไปตามลาดับเบื้องต้นทำกลางมันปล่ยให้จริงให้ถูกสภาวะตัวเองถูกฐานะตัวเองแล้วจะได้ผลอาตมามั่นใจว่าทุกวันนี้มักผลของาศาสนาพุทธ ยังมีอยู่ยังมีอยู่ในมั่นใจหนึ่งมั่นใจในตนเองว่าตนเองมีมรรคผลนี่ก็เป็นการโอดอุตติริยธทําอันหนึ่งพูดไปเนี่ยโอดอุตติริยธรรมว่ามีมรรคผลของพระเจ้าจริงถ้าไม่มีมรรคผลอาตมาอยู่ไม่ได้เราจนทุกวันนี้นะสี่สิบกว่าปีแล้วออกมาทั้งนี้ไม่มีเงินไม่มีท้องไม่มีอะไรแล้วก็ไม่พยายามที่จะ แสดงสภาวะแสดงไม่ใช่สภาวะแสดงอาการกิริยาที่จะต้องไปสอหาทางจะได้ลาบได้ยศได้สรนเริญมีแต่หาทางจะวอนหัวแตกมีแต่หาทางที่จะให้คนอื่นเขาขยําเอาอะไรเงี้ยไม่ได้ไปทําเพื่อที่จะใช้วิธีการหลอกล่อให้คนมาทําทานให้คนมาเอาราบเอายศเอาเสันเริญเอากามเอาอัตตาอะไรมาให้ไม่ได้พยายามทํา พยายามระมัดระวังอย่างยิ่งด้วยป้องกันไว้ไม่รู้กิ่ทางต่อกี่ทางจนคนมันใส่หาว่าแอกหาว่าทำแมทําซับซ้อนเป็นจิตวิทยาอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาอะไรคนก็จะเข้าใจยังไรก็ไม่เป็นมาหาเรามีความจริงใจของเราเราก็ทําตามจริงเพื่อแสดงออกให้มันดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดที่จะทําได้นะสิจิบกเปียตมามั่นใจว่าอาตมายืนยันได้ว่า ทำโมหหเวรคติธรรมจาริมทำรักษาผู้ประพุทธธรรมถ้าเราใช้ธรรมที่เป็นสัจจะของพระพุทธเจ้าแล้วทำเลี้ยงเราได้จริงๆทุกวันนี้อาตมาอยู่ได้ด้วยทำเลี้ยงทำอุดหนุนทำช่วยเหลือเฟื่อฝายทำไม่สามารถนำพาที่อาตมาทำงานศาสนานี้ได้โดยทำแท้ๆเลยไม่ได้ไป หวังที่จะไปหาอลังการอื่นองค์ประกอบอื่นไม่ว่าทั้งราบทางยศทางอิทธิพลทางการเมืองทางอิทธิพลทางทุนนซั์ทางอิทธิพลทางผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆนาน า, นาของโลกเขามีเยอะอาตมาพยายามเลี่ยงขออภัยที่ต้องพูดอย่างนั้นจริงๆพยายามเลี่ยงอิทธิพลที่มาจะกลายมาเป็นอิทธิพลหนุน อ, ต า, อตาตมาอาตมาต้องการให้ธรรมะมันเพียวๆให้สิ่งที่เกิดที่เป็นที่ได้ ที่อาตมานำพาศาสนาไปทุกวันนี้เนี่ยให้มันเกิดจากธรรมะเพียวๆ เ, เจตนาอย่างนั้นจริงๆนะก็ยืนยันได้ว่าอย่าว่าแต่อาตมาหรืออาตมาเทัติภูมิภูมิรู้อาตมาวัดแล้วแม้แต่คารวะเองก็มีมรรคผลมาอยู่กันตายไปหลายคนละอยู่กันส0มสิบปียี่สบปีสามสิบปีสี่สบปีตายไปหลายคนละก็อยู่กันจนรอดนะ ก็มาทยอยกันมาอยู่เพิ่มเติมอทิ้งลาบยอดสันเสริญโลกียสุขอะไรจากทางโลกมาจริงๆเขามีของเขาจริงนะเขามีสิทธิอยู่ทางโลกไม่ได้ไปขมโมยขจนไม่ได้ไปเอารัดเอาเปรียบอยู่กับตามหลักเกณฑ์ของทำของโลกเขาอย่างสุจริตแล้วเขาก็เต็มใจที่จะสละเองนะทั้งที่คนแย่งชิงกันหนึ่งยังอะไรดีแต่เขาก็เต็มใจจะสละจริงสิ่งเหล่านี้อาตมา เชื่อว่าเขาคงไม่มาหลอกอัตมาเพื่อเอาโกโกเก๋อะไรหรอกนะเพราะว่ามาอยู่อัตมาก็ไม่เคยสัญญาว่าคุณมาแล้วคุณจะได้คืนมากเขาดันานา้าไม่มีคุณมาคุณก็มีแต่หมดตัวหมดตัวไม่กลัวก็อย่าไม่กลัวก็อย่ามาเพราไม่ใช่ไม่กลัวก็อย่า ม, ม า, ออ ไ, ม ไ, มมาไม่กลัวมาพูดตรงๆผาผองเงี้ยเขาก็ตัดสินใจของเขาเองกันมาแล้วมาอยู่จนทุกวันนี้มันก็ไม่ได้สุดโศมอะไรมันก็ดูมีอัตราการก้าวหน้าอยู่อย่างนี้เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเป็นตัวประจักษ์สิทธิ์เป็นตัวที่บ่งชี้ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างประจักษ์พิสูจน์ไดนะ้เป็นเรื่องที่ประจักษ์ต่อความเป็นจริงที่เกิดที่เป็นที่มนะีอัตมาถึงกล้ายืนยันว่าธรรมะพระพุทธเจ้ายังมีมรรคผลนะซึ่งพิสูจน์ได้ยืนยันได้อย่างเห็นเห็นแล้วว่าสัมผัสอยู่นะ ไม่เจ่วันหนีไปคางไกลไปอยู่ป่าเขาถ้าแล้วก็ไม่ได้สัมผัสอะไรไม่ได้ถูกย่ถูกยวนอะไรโอ้พวกเรานี่ถูกย่อถูกยวนอยู่เลยย่ยวนอยู่ก็ยังเฉยยังไม่ได้ดิน้นได้ร่นอะไรยังไม่มีปัญหาอะไรนะก็เป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะเอาวันนี้อาตมาก็จะเข้าไปสู่เจตนาที่อาตมาจะอธิบายเรื่องของสามคำใหญ่ๆที่จะต้อง พูดอีกนานเลยพูดอีกนานเลยมันลึกซึ้งแล้วมันก็เข้าใจกันยากถ้าเข้าใจอันนี้ไม่ถูกต้องอาตมาว่าตีธรรมพระพุทธเจ้าไม่แตกนำพาตัวเองบรรลุหลุดพ้นไม่ได้คำใหญ่ๆสามคำนี้คือหนึ่งคำว่ารูปสองคำว่านามสามคำว่ากายเท่านี้แหละอาตมาจะพูดเนี่ย จะอธิบายกันให้อย่างพิสดารอย่างให้เข้าใจชัดเจนเลยแล้วเราจะปฏิบัติได้ชัดไม่งั้นตีไม่แตกไม่งั้นไม่สามารถที่จะทะลวงกายกิเลสกายกิเลสอ้ามีศัพท์กายกิเลสกายของกิเลสเนี่ยนะเพราอเราก็จะไม่สามารถรู้จักสักกายหรือสักกายะสกกับแล้วว่าของตนแล้วว่าตัวเองกายของตนเองที่ มันเกิดองค์ประชุมเรียกว่ากายเนี่ยและโดยเฉพาะสักกายะคือตัวตนของกิเลสที่พลสักกายทิฐิเนี่ยสักกะสัก ก, กายะเนี่ยกายสักกายะเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถที่จะสัมผัสอันนี้เห็นอันนี้สักกายะนี่คุณก็ปฏิบัติธรรมไม่เข้าปรมาทไม่สามารถที่จะรู้ของจริงตัวจริงสภาวะจริงว่านี่แหละคือตัวการที่คุณจะต้องมันมีอยู่คือมีคุณสามารถทําให้อาจางคลายทําให้ ดับสิ้นไม่มีแล้วได้คุณก็คือนิโรธคุณก็คือวิมุตคุณก็สามารถดับสิ่งนี้ได้ทําลายกาจัดสิ่งนี้ได้จริงเพราะงั้นถ้าไม่รู้ภาษาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วจะไปปฏิบัติตามสภาวะที่มันเป็นนามธรรมามันเป็นอธิสมานกายมันเป็นกายที่ไม่เห็นอธิสมานกายนี่หมายความว่ากายที่มองไม่เห็นมันไม่ปรากฏร่าง มันมองไม่เห็นตัวมันนะแต่มันสัมผัสรู้ได้โดยอาการดินขันิมิตอุเทศถ้าคุณไม่สามารถเรียนรู้อย่างนี้ได้คุณก็ไม่สามารถที่จะมีอาทิสมารกายเพราะงั้นถ้าเข้าใจดีแล้วมันไม่ใช่เรื่องลึกลับเขาเอ า, เอาคําว่าอาทิสมารกายนไปไปเรียกคนที่บอกว่าคนที่สามารถเห็นร่างกายที่มองไม่เห็นหรือมองเห็นไม่ได้นี่นะเป็นคนมีฤทธิ์ใช่เป็นธรรมฤทธิ์เป็นฤทธิ์ธรร ม, มะที่ ศึกษาอย่างสมาธิฐีแล้วมันจะเห็นจริงๆเห็นสัตยะเป็นต้นปัสสติเห็นสัมผัสด้วยกายอสัมผัสเห็นจริงๆเลยสัมผัสวิโมกเพราะสามารถที่รู้รูปรู ป, ปีรู ป, ปานิปัสสติสามารถสัมผัสรูปรูปที่มันเป็นนามนามมารูปด้วยอเป็นนามกายก็ตามหรือเป็นรูปกายก็ตามเนี้ยค่อยจะขยายความนะเพราะเราก็จะต้องมีการ กายภาวนามีการปฏิบัติอบรมฝึกกายให้รู้จักให้ติดต่อเกี่ยวข้องนะกายภาวนานี่คือมันมีการปฏิบัตินะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายที่ภายนอกที่เราจะต้องสัมผัส ด, ด้วยอินทรีห้าอินทรีหกนะต้องสัมผัสแล้วก็จะรู้ว่ามันมีองค์ประชุมเกิดมาเป็นรูปกายอย่างไรแล้วก็เรียนรู้รูปกายนามกายมันก็คือสิ่งที่สัมพันธ์กันอยู่กับรูปกาย หรือเฉพาะนามกายจริงๆเนี่ยมันก็เป็นได้เดี๋ยวจะได้อธิบายนามกายวันนี้อาตมาอ่านอคอลัมน์ของคุณสิริัญญาก็พูดถึงเรื่องนามกายมีคําว่านามกายเข้ามาผสมแคลเข้ากับสมัยเข้ากับยุคอาตมา จ, จัตเทศกับอ่านเชาน้านี่อ้าวเจอคํานี้เอามาเลยช่วยมาเป็นวัตถุดิบในการบรรยายธรรมะเลยอ แล้วเขาก็มีอะไรใหม่ๆมาเสนอด้วยนะคุณสิริัญญาเดี๋ยวจะได้ว่าไปอ่อนจะได้อธิบายธรรมะ ก, ก็ขอเก็บตกเมาาื่อวานนียอาจจะมาไปสวนบุญผักพืชเขามีพวกนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมไปมิติ่งกันมิติ่งกันก็อาจจะมาก็ไปพ่อไปพูดดี๋ยวว่าเออปีหนึ่งก็มาพบกันครั้งเดียวนะ ถ้ามันตายก่อนมันไม่ได้มาปีหนึ่งก็จะได้พบกันในมาถ้ามันตายก่อนในปีนั้นปีนั้นน่ยมันไม่ได้มานะมันไม่ได้พบอมันไม่ตายสักกดีมันยังมาได้พบกัน่ะปีหนึ่งพบกันหนหนึ่งโอ้เจ้าพรคุณเอแล้วเนี่ยมันจะได้เวลาตายจากมันจะได้พบกันไม่นี่นะตอนไหนช่วงไหนต่อสิบสองเดือนในปีหนึ่งพบกันทีว่าดีที่ว่าเก็บตกก็คือคุณอิสรานามปากาอิสรา ก็รู้สึกบันดาลใจเรื่องที่แม่เข้าคืนสู่เย่าเข้าคืนรังนี่แหละมันทําไมมันไม่ค่อยมาเข้าคืนรังกันสักทีนะเขาก็เลยเขาเป็นนักเป็นกวีเขาก็เลยเขียนกวีเพื่อจะให้ไปอ่านให้อัตมาอ่านในงานที่นั่นนะอัตมาไปแล้วเขาลืมคนที่รับจากมือนักกวีนี่เอาไปลืมให้อัตมาเสร็จแล้วก็เลยเอา ฝากๆไปออกอากาศหน่อยไปเดี๋ยวผู้ที่อุตส่าห์แต่งง่ายแล้วไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรลืมจริงๆเหมือ น, นต้องของอภัยเงนั้นอัตมาก็เลยต้องช้อนกันหกตกหล่นันเข้ามาก็เอามาอ่านสู่ฟังหน้าบทกวีนั้นบอกว่ า, างี้ว่าแดนอสอปทมาคำว่นักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมหรือเราจะพบกันเพียงวันนี้ วันที่เหลืออีกทั้งปีอยู่ที่ไหนไม่คิดถึงกันบ้างหรืออย่างไรรู้บ้างไหมใครห่วงหามาเน น, นานคืนสู่เย้าเข้าคืนถ้ำควรล้าลึกตกผลึกนักศึกษา จริงนักศึกษาตกผลึกนักศึกษาเขาไม่ได้บอกนักศึกษาแต่มาอ่านไปเลยเขานอสพอทตกผลึกนอสพอทร่วมก่อสาลโพธิสัตย์ยังรอผู้ร่วมสู้งานวันคืนผ่านการล่วงเลยเฉยอยู่ใหญ่เนี่ก็ เป็นแรงบันดาลใจของนักกวีก็เห็นแล้วก็รู้สึกหน่อยากจะระบายความรู้สึกแล้วก็มีความเห็นร่วมอย่างไรบ้างก็แสดงออกมาก็ได้อ่านสู่ฟังแล้วนะไม่ต้องแปลมันไม่ยากเท่าไหร่นะพรงศีสุภาพอัตมาแต่งยากคว่ น, นี้เขาใจยากกว่า น, นี้เยอะอันนี้กรอนแปดกรอนเก้าสบายสบาย อาที่นี้มาเริ่มต้นนอาตมาจะเริ่มต้นในการอ่านบทความของคุณสุริอัญญาวันนี้ที่ในแนวหน้าลงนขรรํา บ, บ้านเกิดเมืองนอนบอกว่าข่าวดังทางวิทยาศาสตร์ที่กําลังฮือฮาขั้นในวันนี้เป็นข่าวที่นักวิทยาศาสตร์เยอรมันและสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยผลการค้นพบดาวประเคราะห์อีกสามดวง ซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศและสภาพต่างๆคล้ายกับโลกที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้ฟังแล้วหูผึงไหมมันน่าจะออกไปอยู่โลกใหม่นะอยู่โลกนี้มันโดยเฉพาะอยู่เมืองไทยนี่มันออืมันอลเวงร้อนรนมันไม่น่าอยู่เลยนะมันทําไมมนุษย์เราอยู่ร่วมกันทําไมมันสร้างแต่ไอ้เรื่องไม่น่าอยู่ให้แก่กันและกันอยู่ในสังคมนี้ละเกินอมหาทางสร้างให้มันไม่น่าอยู่ด้วยกัน อาตมาว่าอาตมาพยายามสร้างอยู่นะสร้างาบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างพฤติกรรมสังคมให้น่าอยู่อ่แต่เขาทำไมถึงสร้างแต่เพลิงกันสร้างแต่ไฟนรกให้มันลุกไหม้ลวนรามกันนักหนาก็ไม่รู้อ้าวเานี่ยได้ข่าวมีโรคอีกสามลูกเนี่ยฟังดูต่อ นับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญและเป็นการค้นพบดาวพระเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกของเรานี้จำนวนมากที่สุดสามลูกกันนะมันก็มากนเะที่มันคล้ายโลกของเราเนี่ยคือพบในคราวเดียวกันถึงสามดวงแต่ถ้าว่าในจำนวนสามดวงนี้ที่มีการค้นพบในลักษณะยืนยันว่าเกือบจะแน่นอนแล้วนะยืนยันเกือบจะแน่นอนแล้วว่ามีสภาพคล้ายคลึงกับโลกมนุษย์ของเรา และเอื้ออำนวยต่อการที่มนุษย์จะสามารถมีชีวิตยอยู่ได้มีเพียงดวงเดียวในสามดวงนี้มีดวงเดียวที่บรรยากาศหรืออะไรเนี่ยมันคล้ายโลกมนุษย์ที่จะพออยู่ได้มีอยู่ดวงเดียวส่วนอีกสองดวงยังจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้มีความแน่นอนมากขึ้นกว่านี้แต่กระนั้นก็ต้องถือว่าการค้นพบดาวพระคราะห์ที่คล้ายกับโลกมากที่สุดและเอื้อ อ, อานวยต่อการที่ มนุษย์จะมีชีวิตเหมือนกับโลกเรานี้มากที่สุดได้ทำให้ความรู้เกี่ยวกับโลกมนุษย์และดาวประเคราะห์ที่มีสภาพเหมือนโลกมนุษย์ของเรานี้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วจะไม่เรียกขานด้วยชื่อภาษาติดหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเสียเวลาเสียเวลาจดจำเปล่าๆแต่จะเรียกดาวประเคราะห์ดวงนี้แบบไทยๆของเราว่าโลกใหม่เรียกง่ายๆโลกใหม่เพื่อให้ง่าย ต่อการเรียกขานและทำความเข้าใจโลกใหม่นี้ก็คือโลกที่ค้นพบใหม่แต่ไม่ใช่โลกที่บังเกิดขึ้นใหม่เป็นโลกที่มันเกิดอยู่แล้วไปค้นพบมันเข้าแต่ไม่ใช่โลกที่เกิดบังเกิดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราถึงสิบเท่าโลกโูกใหม่เนี่ยใหญ่กว่าโลกเราถึงสิบเท่าและอยู่ในระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์ถึงสามดวง บนใหญ่ในจักรวาลที่ดวงโลกดวงนี้อยู่เนี่ยมีดวงอาทิตย์อยู่ทั้งสามดวงแต่ในสามดวงนั้นก็มีดวงอาทิตย์แค่ดวงเดียวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลของเราส่วนอีกสองดวงมีขนาดเล็กหรืออาจจะไม่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อโลกใหม่เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อโลกของเราในปัจจุบัน ทีนี้ระยะทางะระยะทางของโลกใหม่ห่างไกลมากห่างไกลจากโลกของเรานี้ร่วมสามร้อยล้านปีแสงปีแสงหนึ่งก็ไปกันก็แก่แล้วถ้าเดินทางคนเดินทางไปกว่าจะถึงนปีแสงหนึ่งในแก่แล้วนะเดินทางไปในใช้เวลา คุณจะนั่งจรวดมาเร็วเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปนี่มันก็จะปีแสงหนึ่งนี่มันก็แก่แล้วเดินทางไปก็จะถึงและสามร้อยล้านปีแสงเนี่ยอีกกี่แก่เว้ยคุณต้องเร็วกว่าแสงคุณต้องมีความเร็วที่เร็วกว่าแสงอีร้อยเท่าหรือพันเท่ามันถึงจะไปสู่โลกนี้ได้ถ้าคุณไม่เร็วกว่าแสงถึงพันเท่าหมื่นเท่า คุณไปถึงดาวดวงนี้ไม่ได้แก่ตายก่อนทางทางเพราะมันนานกว่าจะถึงเพราะมันมันก็เกินวิสัยที่มนุษย์จะเดินทางแน่นอนนะเพราะงานรู้แล้วก็ยิ่งก็หมาเห่าเครื่องบินเนาะมันไกลเกินที่หวังยิ่งก็หมาเห่าเครื่องบินเกินกว่านั้นนะเมาเห่าเครื่องบินยังมองเห็นยังมองเห็นยังพอหวังเนี่ยยังน้อยเครื่องบินยังมีสิทธิ์ตกลงมาพอให้รูปคลาได้ นี่หมดทางเลยนะหมดทางเลยจึงไม่ต้องพูดถึงการที่ม <double> นุษย์บนโลกนี้จะเดินทางไปยังโลกใหม่เพราะว่าเป็นอันพ้นวิสัยที่จะไปได้โดยทางกายพ้นวิสัยที่จะไปได้โดยทางกายว่าไปพ้นนะไ่พ้นวิสัยทางกายนะเขาพูดผิดพ้นวิสัยที่จะไปได้โดยทางกายนิปัตมาว่าพูดผิดนะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิสัยที่จะไปได้โดยกาย แน่กลับมาบอกว่าเอาหมดพ้นวิสัยที่จะไปด้วยทางกายแต่ไม่ไม่เป็นไม่ไมพ้นวิสัยที่จะไปได้โดยทางกายแต่ไม่ใช่แบบจะพ้นวิสัยที่จะไปได้โดยกายอีกกายหนึ่งอีกกายโดยกายหนึ่งซึ่งกายนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่านามกายอาตมาก็สัมผัสคํานี้แล้วก็ติดหมัดเลยติดหมัดออกมาเลยเอามาใช้คําว่านามกายเดี๋ยวจะได้ขยายความกันอย่างสนุก น่าจะสนุกเลยวันนี้นเรียกว่านาม ก, กายการค้นพบระบบสุริยะใหม่ค้นพบโลกใหม่รวมทั้งดวงอาทิตย์ใหม่ตามรายงานล่าสุดนี้เป็นการยืนยันว่าระบบสุริยะจักรวาลแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับระบบสุริยะของเรานี้ไม่ได้มีอยู่แต่เฉพาะระบบระบบสุริยะและโลกของเราเท่านั้นแต่ยังมีระบบสุริยะอื่นและโลกอื่นอีกมาก รวมทั้งโลกใหม่ที่เพิ่งค้นพบนี้ด้วยวันนี้จะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์อันก้าวหน้าที่สุดของมนุษย์ยุคปัจจุบันได้ยืนยันการค้นพบว่ามีระบบสุริยะอื่นมีโลกอื่นมีดวงอาทิตย์อื่นอีกมากหาได้มีอยู่แค่ระบบสุริยะนี้ดวงอาทิตย์ดวงนี้และโลกนี้ของเราเท่านั้น มืยืนยันการค้นพบใหม่ดังกล่าวนี้แล้วก็ต้องบอกกล่าวพี่น้องของชาวพุทธและชาวโลกทั้งหลายได้ภาคภูมิใจพร้อมกันด้วยกันว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในยุคปัจจุบันได้ค้นพบนั้นไม่ได้เป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกมีการค้นพบเรื่องนี้มาก่อนแล้วเมื่อ45ปีก่อนพุทธกาลเป็นการค้นพบโดยพระสมณโคดม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวโลกเป็นการค้นพบโดยวิทยาศาสตร์ทางจิตโดยพลังอํานาจแห่งจิตโดยฌานและปัญญาอันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ของมนุษย์สามารถเข้าถึงได้พระบุพมีภาคเจ้าทรงคนพบแล้วก็ทรงประกาศแก่ชาวโลกในวาระอันจําเป็นที่ต้องจะต้องตรัสจะต้องกล่าว ทั้งทั้งที่พระองค์จะมีปกติไม่ตรัสไม่กล่าวในเรื่องเหล่านี้เพราะแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ถูกกับจิตใจผู้ไฝรู้ของคนแต่ทรงเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์จะทรงมีปกติตรัสในสองเรื่องคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นพระพุท ม, มีวิปาคเจ้าทรงตัดเรื่องระบบสุริยะจั ก, กรวาลและดวงอาทิตย์เรื่องโลกเรื่องดวงดาวหรือที่กล่าวรวมในปัจจุบันว่าระบบสุริยะ เพราะความจําเป็นที่จะต้องตัดนะจะ ต, ต้องตัดถึงตตรงที่มีความจําเป็นที่ต้องตัดที่จะต้องกล่าวเนื่องจากในขณะนั้นมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ทางจิตบางประการโดยพวกพราหมณ์นั่นคือมีพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าแล้วถามพระทาคจ้าว่าท่านผุเจเรญท่านเคยพูดว่าท่านสามารถพูดได้พูดให้ได้ยินไปทั่วมื่นแสนโลกธาตุได้ ใช่ไหมโลกธาตุที่พรามสอบถามตามถามพระธรรคตรเจ้าก็คือระบบสุริยะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และโลกอื่นๆหรือที่เรียกกันว่าเรียกภาษาอังกฤษว่ากาแล็กซีนั่นเองพระพุทธีพราชนพระพุมีาชเจ้าจัดตอบว่าจริงพรามเราเคยกล่าวเช่นนั้นพรามได้ถามพระพุมีพราคเจ้าต่อไปว่าอาวุโสท่านพูดอย่างไร จึงได้ยินไปพร้อมกันทั้งหมื่นแสนโลกธาตุพูดยังไงจึงได้ยินโอโหไปทั้งหมื่นแสนโลกธาตุซึ่งแสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นพระพุทธพระพุทธธรรัตที่ว่าทรงตรัสให้ได้ยินไปทั่วพร้อมกันทั้งหมื่นแสนโลกธาตุได้เป็นคํากล่าวที่โด่งดังและน่าจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในบรรดาเหล่าปราชญ์ทั้งหลายยุคนั้นด้วยพระตถาคุเจ้ารับสั่งตอบว่า ตถาคตจะเปล่งฉับพันธรังสีออกไปก่อนเมื่อตถาคตกล่าวเสียงของตถาคตก็จะแล่นไปตามฉับพันธรังสีนั้นดังกึกก้องทั้งหมื่นแสนโลกธาตุพร้อมกันนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่คิดจับผิดพระผู้มีพระภาคเจ้าค้นพบว่าสิ่งที่เรียกว่าฉับพันธรังสีนั้นเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่มีความเร็วเนือแสง จนสุดประมาณจนทำให้นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ยอมจำนนและเข้าบวชในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ากล่าวพระสูตรนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระภูมีพระภาคพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นในเทศกาลอาสาฬหบูชาที่ใกล้จะมาถึงปีนี้นี่หมายถึงคุณสิริัญญาเขาลงท้ายด้วยว่าเขากล่าวพระสูตรนี้ เพราะลำลึกถึงพระภูมีภาคในวันใกล้จะถึงอาสานหบูชานะอ่านแล้วก็เข้าใจไม่ยากอะไรเพราะว่าไม่ใช่ภาษาที่จะมีภาษาวิชาการทางศาสนาที่อาจมาหยิบมาพูดกันนี่มากมายปุจิเิอั ญ, ญญาไม่ได้มีอะไรมากคำานามากายมีคำานามากายคำเดียวนะที่จะเอามาเป็นภาษาทางวิชาการทางศาสนานอกนั่นก็ง่ายๆก็รู้กันได้นะ สรุปแล้วก็คือนามกายคำนี้นี่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่ผู้ใดสามารถมีนามกายที่ใช้ประโยชน์ตนเองใช้ประโยชน์ได้ก็สามารถที่จะให้นามกายนั้นเป็นธาตุรู้นามนี่คือธาตุรู้องค์ประจุธาตุรู้คนที่ได้ฝึกหรือมีบารมีมี คุณธรรมมีคุณสมบัติทางสัจธรรมนี้แล้วก็จะมีความรู้มีสัจธรรมทางนามกายคือมีกายก็คือสภาวะองค์ประชุมของพลังงานที่เรียกว่านามธรรมานามธรรมาคือธาตุรูต่างจากคําคว่ารูปรูปเป็นสิ่งที่ถูกรูนามเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู นีย่างไม่สาคัญจะจำไว้ให้ชัดๆนะแล้วก็ขอขยายความต่อไปอีกว่าแล้วรูปประกายมันคืออะไรกันล่ะคำนี้แหละเข้าใจกันยากรูปประกายก็หมายความว่าองค์ประชุมของรูปที่มีกายองค์ประชุมคือกายที่มีกายเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์อยู่และในคำว่ากายนั้น มีนามอยู่ด้วยแม้ไม่กล่าวคำว่านามคำว่ากายนั้นก็มีนามอยู่ด้วยเพราะคาว่ารูปกายจึงมีนามร่วมรู้อยู่ด้วยเช่นตาหูจมูกลิ้นกายกายข้างนอกภายนอกห้าประการนี้เมื่อไปกระทบสัมผสัสอะไรเข้านามกายที่อยู่กับร่างกายเราเนี่ยมันก็จะทำงาน ร่วมรู้ด้วยสิ่งที่รู้นั่นแหละคือรูปประกายรู้โดยนามโดยจิตของเราถ้ารู้อย่างนี้ก็เรียกว่าครบกายที่พระพุทธเจ้าตรัสในวิโมกขแปดในที่ว่าต้องปฏิบัติทำสัมผัสวิโมกขแปดด้วยกายต้องคือกายต้องครบรูปประกายและนามกายทีนี้นามกายละ่ะ นามกายก็หมายเอาจิตมาเอาเฉพาะคํานามละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ารูปเรายังไม่พูดถึงเช่นมหาพุทธ ร, รูปคือรูปข้างนอกเนี่ยยังไม่มีนามเข้าไปเกี่ยวข้องมหาพุทธ ร, รูปคือดินน้ำไฟลมต่างๆอยู่ข้างนอกพอเราปีตาหูจมูกริ้นกายไปกระทบสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะเกิดอุปาทายรูป รูปที่เกิดเข้าไปขากายในกายถ้าเรียกว่ากายนอกกายก็คือองค์ประชุมที่สัมผัสอยู่ข้างนอกด้วยเช่นอาตมาพบทุเรียนเมื่อวันนี้มาลูกบอลลัมในต่อหน้าอาตมาเนี่ยระวังระวังนะลูกมันใหญ่เลยกินมากเข้าไปร้อนอาตมานะี่ยไม่กินอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่ให้กินแล้วอาตมาก็คิดว่าไม่ควรกิน เพราะว่าเขากันว่าเดือดน้ําตาลมันจะเยอะอเจาะเลือดอาตมาอยู่เรื่อยตัวน้ําตาลอยู่เรื่อยเลยกลัวอาตมาแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นมีมา ก, กแต่เขาระวังช่วยดูแลอ <st> <น>แสดงว่าเพราะท่านหวานไม่ได้นะแสดงว<น>่าเพระท่านหวานไม่ได้ใช่มันต้องเค <s> ็ม <c oughs> ต้องคมข ม, ขมต้องคืนอยู่เรื่อยๆ <c oughs> หวาน <c oughs> ไม่ได้อาตมาต้องเค็มต้องคืนต้องขมอยู่เรื่อยเผ็ดอยู่เรื่อยหวานไม่ได้อาตมาเลยเป็นคนไม่หวาน รับรู้ไว้สิด้วยนี่เป็นเรื่องจริงอ่าจะมาหวานไม่ได้คืนหวานไปเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นโรคเบาหวานอ่าเดี๋ยวเป็นมือนมิโซะนะอ่าต้องไปอาบน้ําแร่ต้องไปอะไรนั่นมันจะยุ่งนะเพราะฉะนั้นคําว่ากายเนี่ยพยายามเข้าใจแตมาพยายามอธิบายคําว่ากายต้องรวมถึงนา ม, มาทําด้วยเสมอ แม้คำว่ารู ป, ปรกายก็มีนามร่วมอยู่ด้วยขาดไม่ได้จึงต้องสัมพันห์หกต้องมีผัสสะหกมีวิญญาณหกมีอายตนะหกมีเวทนาหกมีตันหาหกนี่เป็นการปฏิบัติที่จะครบสมบูรณ์เรียกว่าต้องวิโมกแปดด้วยกายถ้าไม่เชนั้นไม่สมบูรณ์พรเจ้าทำไมรับรองว่าคุณจะเป็นอาหารหันต์แม้อาสวะบางอย่างคุณจะหมดไปบ้าง อาสวะบางอย่างหมดไปบ้างท่านก็ไม่รับรองเป็นอรหันต์จะเป็นอรหันต์ได้ต้องครบบริบูบรณ์เพราะเขาจะปฏิบัติข้างในมาหาข้างนอกกอตามต้องมาครบบริบูรณ์อย่างนี้จึงจะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้สมาธิติดตามหรือจะ ก, ก็เรียนนอกไปหาในสิเดียนหยาบไปหาละเอียดจะไปเรียนละเอียดมหายางมันยากตายชักเป็นทำทำไมเส้นเวลานานา น, นะนานมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะพระเจ้าอย่างถูกต้องลาดลุ่ม เบื้องตนทำกลางมั่นปลายอย่างถูกสัจธรรมไม่แย้งอัตมาหรอกคนที่เข้าใจมีปฏิภาณปัญญาคนที่ยังแย้งอัตมาอยู่คือยังจะพวกนี้เป็นพวกอ อ, อยู่ในสังคมดัน อ, อดันและดันทุดน้ด้วยนะอ่าภาษาบาลีเรียกว่าดันทุรังเรียกว่าดันทุระเนี่ยทุระเนี่ยแปลว่าหยาบแรงคือดันหนักดันมากทุระเนี่ยถ้าออกเสียงเป็นบาลีก็ดันทุรัง ไทยก็เลยหยิบเอาคํานี้มาใช้เต็มๆเลยเรียกว่าดันทุรังรู้กันดีเลยว่าดันทุรังแปลว่าอะไรดันทุระนี่แหละทอทหารสัตว์รอเรือนี่แหละถ้าพันเป็นทุรังเข้าก็เลยเป็นไทยแจเลยดันทุรังรู้ดีเลยเออนี่ภาษาไทยนี่ว่าไม่ใช่ภาษาบาลีเขาทุรังเนี่ยแล้วก็เป็นดันทุรังเนี่ยมันหนักมันหยาบดันทุรังหยาบ นะไม่ยอมบรรเทาไม่ยอมลดวา่าลดราวาสองเลยดันทุกรังเนี่ยคนจะลดทุกรังลงมาเป็นสุรังมัง่งคนอยากเช็คความเข้าใจของผู้ผู้ฟังก่อนไหมครับว่าที่พรอครูพูดนี่เขาเข้าใจได้มากน้อยแค่เราองถามดูอยากจะถามว่าระหว่างรูปปกายกับนามนามกายเนี่ยอันไหนมีความความหมายที่กว้างกักนระหว่างรูปปกายกัมนามกายอันไหนมีความหมายกว้างา ก, กันอ่า ใ ค, ใครว่ารูปปรกายยกมือขึ้นใครว่านามปรกอบ <c oughs> นี่นี่บันไดขัข้ขใ น, ในแรกเนี่ยนามอากอบไปได้ไกลกว่ารูปมากรูปมันจะต้องอยู่ของมันเป็นสัดส่วนถ้ามันไม่ไปสัมพันธ์ด้วยนามมันก็จะไม่เห็นรูปนั้นๆเพราะงั้นรูปนั้นๆก็ป่วยการกล่าวถึงมันเพราะมันไม่เกี่ยวกับเราแต่จะเกี่ยวกับเราเป็นรูปประกายได้ต้องมีนามเข้าไป แต่ตเพราะฉะนั้นนา ม, มากายมันไปกว้างอย่างที่คุณสิริอัญยาว่าโอโหไปได้ไกลเลยทุรังขมังคำว่าทุรังขมังนี่ไปได้ไกลเพราะฉะนั้นาการที่นา ม, มากายที่ไปได้ไกลนี่เป็นอยู่แล้วแต่ละคนอย่างน้อยก็เดาจินตนาการใช่ไหมไปได้ไกลไปตามเพอ้อฝันด้วยเหตุด้วยผลไปจะจริงไม่จริงไม่รู้เช่นเดียวกันกับไอสไตน์อัตมาจะด อ่าเผยความลับของไอน์สไตน์ให้ฟังเขาปิดกันแซดนะความลับของไอน์สไตน์เนี่ยเดี๋ยวจะมาจะเผยให้ฟังคือไอน์สไตน์บอกว่านี่แหละความรู้มันเกิดจากจินตนาการใช่อ่าความรู้หรือศัจธรรมเนี่ยหรือว่าของจริงมันเกิดจากจินตนาการมาก่อนอโดยอไอยน์สไตน์นี่พูดเลยบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ภายใต้หมวก ใไใครเคยได้ยินบ้างพอตาไอ้ตายก็พูดเองเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายใต้ใตหมวคือในกระโหลกศรีรษะนี่แหละแล้วก็จินตนาการแล้วก็จะถึงไปถึงความจริงมันเป็นอย่างนี้อัตมาจะเผยความลับให้ฟังไอ้สายนี่เป็นคนมีบา ร, รมีมีความรู้แล้วมีสิ่งที่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดไกลไกลลึกเขาเขามีอยู่แล้วของเขาเป็นสยังอภิญญาของเขาอยู่แล้ว แต่เขาไม่ใช้ภาษาบั ญ, ญ์ยัดสลับกันเท่านั้นเองที่จริงก็มีอยู่ก่อนแล้วแล้วเขาก็เป็นจินตนาการมันก็ขึ้นมาเป็นภาพเป็นความคิดก่อนแล้วมันก็มีเหตุมีผลมีหลักมีฐานแล้วเอามาพิสูจน์พอพิสูจน์แล้วมันตรงมันก็จริงเขาเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์เกิดจากจินตนาการความจริงแล้วถ้าบอกว่ า, าจินตนาการแล้วเอามาพิสูจน์แล้วมันไม่มีความจริงเขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไหมไม่เป็น นี่แหละเขาเป็นพอิษั์ตร์เพราะความจริงอย่างเนี้อ่าส่วนนักเพ้อฝันนะ่ะนะเพ้อฝันไปพิสูจน์แล้วมันก็ไม่เป็นความจรงิงพวกนี้มันไม่มีไม่ใช่พอดิษั์ตร์ไม่ใช่ผูร้รู้ไม่ใช่ผู้ที่มีสัจจะความจรงิงที่รู้จริงรู้จริงในอะไรต่ไรคุณจะจินตนาการในตายคุณก็มีแต่ตักกะมีแต่เหตุผลเพ้อฝันแต่ออสตานี่เขามีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเหมือนเขาเพ้อฝันเหมือนเขาจินตนาการขึ้นมาเท่านั้นแต่ไม่ใช่ มันมีสิ่งที่อยู่ในของเขาแล้วมันลึกๆ อ, ออกมาแล้วเขาก็นำมาพยายามค้นคว้าและพิสูจน์ยืนยันมันเป็นความจริงความจริงกัมาจน ก, กระทั่งแม้แต่แสงเขาก็รู้นึกซึ้งในแสงในอะไรต่างๆนาน า, นาเขาก็รู้อัตมาเองกัตมาก็มีความรู้ทางนามกายนี่พอดาจึงรู้จักเอกภพรู้จักแสงรู้จักดวงดาวต่างๆอะไรพอสมควร พูดมากมันเดโมไม่ดี่าโดยสัจจะพวกนี้เช่นอาตมารู้ว่าอ๋อแสงนี่มันเดินทางมันแสงนี่มันโค้งนะ่ะมันไม่ได้เป็นแสงตรงนะอาตมาก็เออเราคงจะเป็นคนแรกในโลกที่รู้แสงเดินโค้งไม่จะตรงอาตมาก็เลยมาพูดกันมาโอ้โหแสงพูดกันต้องเคยเนี่ยสามีของรักเขาเนี่ยเขาเป็นวิศวะ มองแสงนี่เดินทางโค้งนะมันไม่โกงหรนะแสงนี่ไม่ใช่เดินโก่งเดินโคง้งเอ้ามีใครบอกว่าโอ้โหนี่อัตมา ก, ก็บอกว่าอัตมานี่คงรู้เป็นคนแรกน้องเคยก็บอกว่าไม่ใช่ไอสไตน์เขารู้แล้วเอา้าจริงเหรอมีไอสไตน์เขาเคยพูดเหรอจริงไปอาคาหลักฐานมาดูอัตมาเพื่อรู้จักจากตอนนี้รู้จักไอสไตน์ตอนเนี้ยน้องเคยก็ไปหาหนังสือไอสไตน์มาให้เล่มนึงเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าวิธีพิสูจน์ว่าแสงมันเดินทางโค้งอย่างไร อาตมาได้รู้โดยนาม ก, กายแต่ออสตราห์ก็พิสูจน์แล้วเขาก็รู้มาจากนาม ก, กายก่อนเหมือนกันจินตนาการของเขาไงแล้วเขาก็มารู้ตามทีหลังพิสูจน์แล้วมันใช่หลักวิทยาศาสตร์ทังพิสูจน์พูดกันรู้เรื่องกับคนอื่นสัมผัสได้เขาก็พิสูจน์แต่อาตมามันไม่เก่งวิทยาศาสตร์มันก็เลยไม่พิสูจน์แต่อาตมาก็รู้อย่างนั้นอาตมาก็แบอ๋อออสตร์นี่มีอะไรอันหนึ่งเหมือนเราเว้ย ถ้าจะเป็นพวกตระกูลเดียวกันก็เริ่มสัมผัสรู้ว่าไอ้สไตน์นี่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แม้ในล่วงความลับมาถ่ายทพูดอะไรหลายหลอย่างแล้วนะสรุปแล้วไอน์สไตน์เนี่ยพูดว่ า, าสิ่งต่างๆนี่เกิดจากจินตนาการนี่มันไม่ใช่ความเพอ้อฝันแต่เป็นความคิดจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในเบื้องลึกของบารมีจิตปญญาณของ ไอน์สไตน์จะรู้อะไรละเอียดลแล้วอ้อแล้อนามาพิสูจน์กันจนกระทั่งเจอนิวเคลียร์นิวเคลสอะไรนี่ก็แล้วแต่นเกิดจากความเป็นจริงที่มีได้ของไอน์สไตน์เองอเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์สมัยนี้พยายามค้นนี่ก็ตามเขาค้นทางรูปธรรมเขาค้นทางรูปธรรมไม่ใช่รูปประกายนะฟังให้ดีนะอันนี้ไม่ใช่รูปประกายนะรูปธรรม โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ใช้กล้องส่องใช้แสงใช้อะไรต่ออะไ ร, รขยายทําให้รู้สัมผัสรู้แล้วเขาก็เลยรู้จักรูปเขาไม่ได้รู้จักนามมงเขาเป็นตัวรู้เหมือนกับไอน์สไตรู้นามมาก่อนแล้วไปรู้รูปทีหลังนะเขาจะไม่เหมือนกันยานตมาเนี่ยมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ไพิสูตรรูปเท่าไหร่เลยรู้แต่นามเจนยานตมารู้ว่าจั ก, กรวาลทั้งหมดเนี่ยในเอกภพเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างไร อัตมารู้ในดามกายของอัตมาอเอกภพกทั้งหมดนี่สุดไกลสุดไกลเกินกว่าที่คุณจะพูดถึงได้เนี่ยอัตมาก็รู้มันอยู่ในลักษณะอย่างไรอแต่อัตมาไม่มีปัญญาที่จะพิสูจน์เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ให้คนรู้ได้อย่างนี้เป็นต้นหรืออัตมารู้แสงเดินทางโคง้งอัตมาก็ไม่มีหลักพิสูจน์เนไอน์สไตน์เอ็งนี้เป็นต้นนะอะไรเลยทีอย่างดาวดวงดาวนั้นนี่นอัตมาก็รู้ว่า ดาวที่มีมนุษย์เกิดนี่เยอะและพวกคุณเนี่ยอัตมาบอกให้ได้ไม่ใช่ดาเคยเกิดในโลกลูกอื่นๆมาก่อนจะมาเกิดโลกลูกนี้ก็ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนมาแล้วนะแต่พวกคุณไม่รู้เท่านั้นเองนะเกิดมาอย่างอัตมาก็เกิดมาหลายลูกโลกแล้วอะไรยงนี้เป็นต้นสนะิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วมันก็สองไฟเบีย้ยนะนิ่งเสียประเทศไทย นะมันก็อย่างนั้นอนะ่ะมันก็ไม่ได้เข้าท่าอะไรนะพูดไปก็สองไปเบีย้ยนิ่งเสียประเทศไทยนะก็เขายุคเขาสมัยไงก็ต้องพูดที่มันเขายุคเขาสมัยเนี่ยเอาแต่นิ่งๆไทยเฉยไทยเฉยเนี่ยเดี๋ยวประเทศไทยก็หมดหมดจริงๆไม่ใช่เล่นๆหรอกเพราะงั้นทำไมตื่นกันเสร็จตอนนี้ก็ดีแล้วที่ตื่นๆกันมาอเนะข้าเขามาพยายามที่จะรู้อะไรแต่ไรนะแล้วก็พยายามที่จะ มารวมตัวกันห น, หน้ากากขาวตอนนี้ก็ก็ให้สัญญาณไปนิดหนึ่งในเรื่องหน้ากากขาวเนี่ยจงให้หน้ากากขาวเป็นแกนนำอย่าอุตริใครอย่าแสดงตัวขึ้นมาเป็นแกนนำกลางขึ้นมาจะเสียผลคอยสัญญาณทางหน้ากากขาวจงรับรู้ใครจะดียังไงเก่งยังไงสามารถยังไงออกมาเถอะใส่หน้ากากออกมาให้หมดแล้วอย่ากลาง อย่าทําตัวเองมาเก่งแต่จงแสดงสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ความสามารถให้เต็มที่แต่อย่าไปแสดงตัวแสดงตนตัวตัๆให้หน้ากากาขาวเป็นแกนนำเป็นแอฟแทร์หรืออินวิสเบไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องเห็นตัวตนให้หน้ากากาขาวนั่นแหละเป็นแกนนาเอาไปคิดฟังให้เข้าใจแล้วทำไปเถอะขณะนี้มีห้าสิบสามจังหวัดกำลังชุมนุมกันวันนี้ก็ แล้วคอยดูกันวันนี้จะมีเท่าไรเท่าไรก็คอยดูกันนับกันไปมันจะเกิดขึ้นไปตามธรรมยิ่งกำลังมหาตอนนี้กำลังทางด้านรัฐบาลในทางด้านคณะนนท์เขาก็กาลังมี่าปรับเปลี่ยนอะไรทำอะไรอะไรกำลังมันก็เป็นเครื่องอยโยหรือเครื่องเรียกกลุ่มเรียกมูอะไรขึ้นมาอีกอยู่ก็เป็นไปตามธรรมชาตินะก็ขอบอกซ้อนไปอีกนิด น, นึงว่า อย่ามาเรียกร้องกองทัพธรรมอย่ามาเรียกร้องกองทัพธรรมเพราะกองทัพธรรมนั้นคือตัวแสลงตัวหนึ่งซึ่งคุณวางไว้ก่อนอย่ามาแตะต้องกองทัพธรรมเป็นตัวแสลงของขณะนี้ตัวหนึ่งอย่ามาแตะต้องกองทัพธรรมเดี๋ยวจะเสียผลเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจ อาตมาพูดต่อสาธารณะได้เท่านี้นพูดมากกว่า น, นี้ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นคุณมันจะเป็นโทษก็ขอพูดไวแค่นี้นผ่านเรื่องนั้นเข้ามาสู่เรื่องของธรรมะที่เรากำลังบรรยายอยู่นี่นาอาตมาได้เปิดเผยความจริงที่ มันเป็นเรื่องลึกของนามกายของมนุษย์นี่ถ้าศึกษาดีๆแล้วจิตนามกายเนี่ยมันจะมีอำนาจมีฤทธิม์มีธาตุรู้ที่รู้อะไรอะไรได้ยังดีแล้วผู้ที่มีเขาไม่เอาความรู้เหล่านี้มาหากินหรอกขนาดไอน์สไตน์แกเก่งขนาดนั้นคนเสนอให้เงินเดือนอ่าฮ ะ, ะเงินเดือนให้เท่าไหร่สามหมื่นเหรียญแกบอกแกไม่เอาแกเอาสามพัน เอาไปทำไมตั้งสาม0 0ื่นคนจ้างแกก็งงอะไรวะให้สามหมืนเอาสามพันแต่เขาต้องจำเป็นจ่ายสามพันเพราะเขาเอาแค่สามพันไอ้จ่ายแก่เาเอาแค่สามพันไม่เอานี่สามหมืนเรื่องอะไรเอามาทำไมหนักวุ่นวายเอามาทำไมไอ้คนพันนี้มันมีเหมือนกันในโลก และนี่ไม่ใช่นิยายในยเรื่องจริงนเรื่องคนจริงอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มาจากประวัติเขาท่าตรงนีน้ไปค้นมาจังเลยเนี่ยคนไอสไตคนคารทีดีไม่ดีคนอาตมาเขาไปไ ป, ปเผชิญไ ป, ไ ป, ประจญไปผสมไปไปเทียบไปเคียงด้วยนะเดี๋ยวขี้กลาก่าอาตมาหล่นลุง ล, ว ง, ลวงกล่าวลบเอมันมีสัจจะที่คนยังเข้าไม่ถึงแล้วตามไม่ได้อยู่พระพุทธเจ้าสอนอาตมาก็นํำสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้ศึกษา แล้วก็พยายามศึกษาแล้วมันจะเกิดเองโดยที่เราเกิดและเรารู้ของเราโดยเราไม่ได้เชื่อใครที่พระเจ้าตรัสเราจะเชื่อถึงที่เกิดที่เป็นที่มีเป็นนามธรรมถึงขนาดนั้นโดยที่เราไม่ได้เชื่อใครไม่ได้เชื่อตามกาลามสูมไม่ได้เชื่อพระพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อใครแต่เชื่อเพราะเรารมีประสบการณ์ประจักษ์เป็นเชิงประจักษ์อย่างแท้จริงของตนเองโดยส่วนตนแล้วว่าเอกะหรือเอโกโดยส่วนตนเลย อตนเองรู้แจ้งเห็นจริงของตนในตนเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องเชื่อใครนะแล้วมันไม่ต้องเชื่อใครจริงๆเพราะมันมีสิ่งนั้นเป็นที่ประจักษนะ์เป็นเชิงประจักษ์เป็นสิ่งประจักษ์สิทธิ์เลยมันเห็นแท้เห็นจริงสัมผัสเห็นเองเลยโดยการสัมผัส ข, ของเราแม้ไปจะเป็นนามธรรมามันก็สัมผัสชัดๆเลยเพราะคนที่จะมีญาณปัญญารู้แจ้งซึ่งว่าความเป็นจริงของนามธรรมาตัวเองมีอํานาจสามารถสัมผัสรู้ สิ่งที่ละเอียดลึกซึ่งทั้งนามมาทำด้วยหรือขั้นอารูปไม่ใช่ในามมาทำตอนน Clear. ั้นขั้นอารูปแล้วจะแยกคําว่าอารูปกับนามอารูปธระทกับนามมาทำสิ่งทรงไว้ซึ่งธรรมะคือสิ่งทรงไว้สิ่งที่ปรากฏอยู่สิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นอารูปอารูปไม่มีนามรูปเดียวๆไม่มีนามถ้ารูปกายถึงจะมีนามถ้าอารูปกายมีนามเข้าไปร่วม รูปปกายหรืออารูปกายจะมีนามเข้าไปร่วมแล้วจะมีคําำกายเข้าไปร่วมแต่รูปเฉยๆรูปรูปธรรมอรูปธรรมไม่มีนามเข้าไปร่วมเขาเป็นตัวของเขาเองเช่นทุเรียนกระ thon ลังศาสนี่เราเรียกลองกองเนี่ยอมีลําไยด้วยเออมีลําไยด้วยโอ้โหนี่ยังมีแก้วมังกรอีกเอ้าจะมาดูข้างหน้านนท์มันก็เป็นรูปของมันมันไม่รู้ตัวของมันหรอกเนี่ยมันเนี่ยมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่ก็เนี่แหละไอ้ลองกลองเนี่มันอยู่กับทุเรียนนะ เนี่ยสัพพายก็นามธุเรียนสัพพายก็ลำไยอยู่หน้านี่มันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะไม่มีนามมันไม่ใช่วิญญาณของมันเป็นชีวะเหมือนกันแต่มันเป็นผีชนิยามมันไม่ใช่จิตนิยามมันไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องแล้วคือเรื่องของรูปนะเพราะนั้ปฎที่ศึกษาจนกระทั่งสามารถมีนามมากายก็สามารถที่จะล่วงรู้ไปถึงรูปข้างนอกได้ถึงขั้นอรรูป โอ้มันไม่มีโฉมกายมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีอะไรที่จะสัมผัสได้เป็นนามคือมันเป็นอารูปมันรู้อะไรมันถูกรู้ได้แต่มันอ่ะนะมันไม่มีอะไรมันยิ่งกว่าอธิษมานกายเป็นอธิสมานกายคือกายที่มันไม่ปรากฏร่างอะไรให้เห็นเลยนะอธิษมานกายเนี่ยมันมันมองไม่เห็นองค์ประชุมกันมันแต่มันรู้ได้ด้วยความร้อนแสงเสียงแม้แต่ไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งสัมผัสทําให้เราสัมผัสแล้วมันรู้อาการนั้นได้ ร้อนเราก็สัาปะแล้วก็รู้ได้เย็นก็รู้ได้อ่อนรู้ได้แข็งรู้ได้หรือ uh hmm. ลีลากิริยากิริยาอาการเรียกว่าอาการของมันเออเราก็รู้ได้อาการของมันได้มันเป็นนา ม, มาทําแต่มีอาการเช่นอาการโกรธเป็นนามมาทําเป็นอรูปเป็นอรูปแล้วเป็นนา ม, มาทําด้วยในตัวเราอาการโกรธในี่ในสัตว์ในคนที่เป็นสัตว์ที่เป็นจิตนิจิตนิยามแล้วมันมีมันเกิด เราก็รู้ได้ของอาการนี่อาการโกรธนะสัตว์มันก็เป็นเหมือนกันแต่มันไม่ได้เรียนมันไม่รู้หรอกคนที่ไม่มีภูมิสูงก็ไม่รู้จริงถ้าคนมีภูมิสูงแล้วก็รู้จักอาการโกรธใจของเราเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นอารูปมันไม่มีเส้นแสงสีเสียงมันมีตัวตนอะไรให้รู้หรอกอัตรีระแต่เราก็สามารถอ่านได้รู้ได้นี่คือญาณปัญญาของมนุษย์ที่เป็นผู้ที่มีนามธาตุที่เป็นนามธรรม อันสามารถเขาไปอ่านรู้ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องเรว่า ก, กายมาเป็นองค์ประชุมเข้าทั้งรูปนอกหรือเฉพาะรูปในถ้ารูปในท่านก็บอกว่ารู้ได้ด้วยสัญญาด้วยการกำหนดรู้ไม่ต้องสัมผัสก็ ก, กำหนดรู้เพราะมันอยู่ข้างในอยู่ในใจอยู่แล้วควักขึ้นมารู้เองได้ทันทีเมื่อใดก็แล้วแต่ไม่ต้องอาศัยต้องมีอีกสิ่งหนึ่ง ก็มันอยู่กับเราอยู่ข้างในใจเลยใจใจเราแล้วไม่ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งมันก็สิ่งอยู่ร่วมกันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราจะกําหนดสัญญากําหนดขึ้นมาฮารู้กําหนดขึ้นมามันก็รู้แล้วเอาจากความจําได้หรือสร้างใหม่ก็ตามจินตนาการใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาคุณก็รู้ได้สร้างใหม่ก็คือของยังไม่มีจริงยังไม่เบียดสมมุติจนกว่าคุณจะสร้างใหม่จนกว่ามันสมมติหลอกคนคนเชื่อมันก็เลยเป็นสมมติทสัจจะขึ้นมาอีกอันหนึ่งทั้งๆที่มันไม่มีจริง คนก็เกิดเป็นมีได้นี่แหละไอ้สิ่งนี้แหละมันหลอกโลกอยู่เจาะเลยเกินเช่นความอร่อยมันไม่มีจริงหรอกแต่คนก็มีจังเลยแล้วติดมันจังเลยเสียงเงินเสียทองฆ่ากันตายเพราะรสอร่อยเนี่ยอัศวาธะเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยใครใครไม่เคยฟังธรรมะอัตมามาป่านนี้แล้วอัตมาจะถามด้วยภาษาวิชาการหน่อยใครไม่เคยแยกจริงอัศวานะยกมือขึ้น เข้าใจทุกคนนะใครไม่เคยแย่งริงอัศทะรถอร่อยเนี่ยไม่มีใครยกมือสักคนหนึ่งเคยแย่งมาแสดงว่าเข้าใจและรู้แล้วมันจริงไหมจริงเหรอตอบให้ชัดนะตั้งหลักให้เดียวมันถูกทั้งสองอันนะไม่จริงก็จริงจริงก็จริงจริงคือสมมุติสัจจะพอปรมัตสัจจะจริงไหมพอถึงปรมัตสัจจะไม่จริง คุณเห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อเราเป็นมัวยึดไอ้ตัวไม่จริงอยู่เนี่ยตัวไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีของจริงอะไรเลยนื่กว่ามันมีจริงแล้วก็อยูก็มันนี่ต้องได้มันต้องมีต้องเป็นไปเนี่ยเม่ยเมี่ยจริงๆต้องแสดงแสดงมันเมีย่ยหน่อยเพราะเป็นวักเป็นเวรมานานเหลือเกินอ่าผู้ใดรู้ได้แล้วกับเบื่อนายอู้ไปคว้าแดดคว้าลมคว้าพยับแดดพองคลื่นอะไรอยู่อย่างนี้มัน พอฉลาดแล้วก็เลิกสงบไม่ต้องไปควา้าไม่ต้องมามีสิ่งนั้นอของมันล ม, ล ม, ลมลๆแรงๆหลอกเราอยู่เรื่อยไปอยู่ถูกหลอกอยู่แล้วจะโง่ไปถึงไหนเลิกโง่ทีก็จบใครเลิกโง่ได้ก็จบนะอย่างนี้นะเพราะการรู้นามรู้รูปต้องเข้าใจว่ารูปคืออย่างไรหมายถึงอย่างไรแค่ไหน จำกัดความแค่ไหนอย่างไรนามรูปแล้วมันประชุมกันเข้าเป็นกายดูเหมือนว่ารูปเนี่ยพอเป็นรูปปกายความหมายก็ไปก็เรื่องหนึ่งเลยใช่รูปถ้ารูปอย่างเดียวเนี่ยมันถูกรู้อย่างเดียวมันก็อยู่ก็มันในรูปเนี่ย บ, บอกแล้วยกตัวอย่างแล้วเนี่ยข้างนอกนะถึงคุณแปดเจ็ดูนย์ห้าก็ว่าว่า ไปยกกระทกรกไปยกไปฟักข้าวพระนสิศให้รู้จิตในจิตรู้รูปนามข้างในจิตดันไปดูกระทกรกไปดูฟักข้าวไปดูอะไรเนี่ยเขาก็เข้าใจอย่างนั้นซึ่งอาตมาก็เข้าใจความการศึกษาของเขาความรู้ทานการศึกษาธรรมอาวจ้าอย่างของเขาอาตมาก็เข้าใจอาตมาก็อธิบายของอาตมาในอย่างเขาอาตมาเข้าใจ ม, มีปัญหาเราเออกแค่นั้นน่ะ แต่องาตมาเนี่ยมันจะต้องกระทบรูปแล้วอาตมา ก, ก็อ้างเ อ, องอุปเจ้า ส, สอนไว้ในบริบทของปฏิจสมุบาเนี่ต้องทั้งหกนะอะมีวิญญาณหกมีญาตยศนาหกผัต 6, ดตะอหกเวทนาหกตันหาหกนะอะต้องทุกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกายองค์ประชมุมแล้วไม่งั้นคุณไม่มีทางที่จะสัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายอย่างสมบูรณ์อย่างนี้หรอกคุณกระทึกอย่างนั้นเนีเก่งให้ตายคุณก็แค่อาศวะบางอย่างลดได้ แต่จะสมบูรณ์แบบเป็นอรหัตผลนั่นนะ่ะเมินจะเถอ ะ, อ, ะอย่าไปแย้งพรธเจ้าเลยะแย้งพระเจ้าก็ต้องไปลบล้างคําสอนพระเจ้าสินี่ยังดีนะคําสอนพระเจ้ายังมีอยู่ครบครันอย่างนี้ไม่งั้นนะก็ขนาดนั้นยังตกหล่นไปเยอะอัตมกรเก็บเข้ามาอธิบายยืนยันให้ฟังอเพราะงั้นก็ลองมาดูรายละเอียดของรูปต่างๆนามต่างๆหรือกายต่างๆ น, นี้บ้างนะ รูปที่คนเราสัมผัสอยู่ทั้งหมดนี่นะถ้าไม่ได้เรียนรู้เป็นกา ย, ยภาวนาคือเป็นการปฏิบัติประพฤติภาวนาไปให้มันเกิดผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลถ้าปฏิบัติยังไม่เกิดผลก็ไม่ถึงขั้นมีภาวนาถ้าปฏิบัติเกิดผลได้ก็จะรู้ว่าเออมันเกิดผล ค, ความเป็นกายแล้วนะรู้จักแล้วว่ากายเนี่ยมันมีอาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอก อินทรีย์ห้าด้วยดีนะหรือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพรวมทั้งหมดนะและสัมผัสสัมพันธ์แล้วก็เกิดรู้จึงมีนามเข้าไปร่วมกับกายภาพเหล่านั้นทั้งหมดภาวะของกายที่เราไปร่วมทั้งหมด่านะเรียกว่าจะรู้ได้นะจะรู้ได้แม้จะเป็นอทิสมานกายคือเป็นกายที่มัน มองไม่เห็นน่ะมันไม่ปรากฏให้เราได้รู้ในง่ายๆน่ะไม่ปรากฏร่างมันมีร่างอัสเตรียงนะไม่มีไม่เห็นตัวหล่ะนะแล้วไปเข้าใจว่าคนมีริทมีเดชมันสามารถตาทิพย์รู้สึสัมผัสตัวได้ก็ใช่อาจะรยพูดก็ไม่ผิดแต่ตาทิพย์ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ตาทิพย์ประเภทเป็นเนรมิตอะไรขึ้นมาเป็นเอนิรมานกายเป็นกายที่เนรมิตสร้างขึ้นมาเองแล้วมันก็เป็นไม่เป็นของจริง อ่าเป็นจินตนาการที่มันไม่มีของจริงเกิดอยู่ในโลกคุณสร้างขึ้นมาเองมาใหม่อ่าแล้วมันก็ไม่มีเป็นตัวตนเป็นวัตถุเป็นอะไรก็ยังไม่เป็นเลยเป็นเพียงเชิงความปั่นของความคิดสร้างปั่นเองในความคิดเท่านั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็ใช้เวลาเปล่าๆนะอย่าไปหลงนิรมานกายพวกนี้เลยนะแม้จะเป็นอธิษฐานกายเป็นกายที่มอง ระับร่างมันไม่เห็นแต่รู้ได้โดยอาการนิคานิมิตอุเทศก็ศึกษากายภาวนากันกันละกันซึ่งวิธีศึกษากับกายขาตาสติรู้จักกันสอนมาเยอะแยะเมื่อเราจะสามารถเข้าใจเรื่องรูปได้อย่างรูปสองอย่างเรียกว่าอุปาทินกะรูปกับอนุปาทินกะรูปคือรูปที่เป็นร่างมีร่างอย่างทุเรียนมันมีร่างของมัน รูปที่เป็นร่างพร้อมทั้งคุณค่าประโยชน์หรืออาการของมัน น, นี่เรียกว่ารูปทั้งหมดที่เราจะศึกษาสองอย่างทีนี้อุปาทินากาคือรูปที่มีภาวะของกิริยาของมั น, นมีกิริยาของมันยึดครองเช่นอุตุนิยามเป็นรูปรู้ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรนี่ทางฟิสิกส์รู้พอมันไปเป็นผีชะ มันก็สามารถถูกรู้ได้เพราะนั้นคนจะเรียนรู้ทางฟิสิกเรียนรู้ทางอุอตุธาตุอุณาธาตุทางอุตุนิยามพลังงานที่มันละเอียดไปถึงความร้อนแสงเสียงอะไรทางฟิสิกต่างๆคุณก็สามารถที่จะสัมผัสรู้ความจริงมันได้มันก็เป็นรูปที่มันมีอาการของมันทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนมันมีอาการมีกิริยาของมันมันก็เป็นตัวของมันโดยที่มันไม่มีนามมันก็แต่มันก็เป็นไปต่างของมันอย่างอากาศหรือลมมันก็เคลื่อนที่ขึ้นไปอไฟหรืออุณหภาพฑ์มันก็ร้อนก็เย็นขึ้นไปอะไรงนี้เป็นต้นแต่คนสามารถสัมผัสรู้ได้สัมผัสรู้ได้นะรูปที่เกิดจากกรรมกิริยาของมันคืออาการนั่นแหละมันเกิดให้เรารู้ได้ ส่วนอนุปาทินการูปคือรูปที่ไม่มีกิริยาอะไรเลยไม่มีกิริยาไม่มีอาการอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นได้รูปที่มันไม่มีกิริยาไม่มีอาการอะไรเลยมันก็ไม่มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับคนที่จะไปสัมผัสรู้ได้เพราะถ้ามันเป็นอะรูปที่ไม่มีอาการหรืออาการที่เกินที่คุณจะมีประสาทคุณรู้ไม่ได้ เช่คุณรู้แสงในหลายแสงที่คุณไม่มีประสาทที่จะไปรับรู้ได้คุณไม่รู้หรอกแต่์เดรัจฉานบางตัวมันมีสิ่งนี้มันรับได้เสียงบางเสียงคุณรับไม่ได้กลิ่นบางกลิ่นคุณรับไม่ได้รสบางรสคุณก็รับไม่ได้สะพานแล้วก็เฉยๆแต่มันมีนะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอโอโอชะรูปหรืออะไร่ในในในภาษาในภาษาอภิธรรมเขาอะ อาตมาก็ยังไม่ค่อยเก่งผิดถูกยังไงขอขอผ่านไปก่อนตรงนี้นะมันมีอีกเยอะที่อาตมาไม่รู้อยู่อีกเยอะอาตมานี่มันไม่ค่อยจะเก่งมันยังไม่ค่อยเป็นผู้รู้เท่าไหร่นะสรุปง่ายๆว่ารูปที่ไปสามารถสัมผัสและรู้ได้กับไม่รู้ได้สอย่างง่ายๆอว่ารู้ได้กับไม่รู้ได้สัมผัสแล้วมันก็รู้ไม่ได้อยู่นั่แนแหละถ้าคุณไม่สามารถจนกว่าคุณจะพยายามสร้างนามกายที่จะสามารถรู้ได้ไกลรู้ได้ลึกรู้ได้ละเอียดมากเข้าก็เป็นความสามารถของผู้ที่ สร้างจิตวิญญาณของตัวเองให้เป็นนามกายที่มีอิทธิฤทธิอิทธิพลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งเป็นจริงเป็นจริงที่นี้ไอ้อย่างนั้นมันก็รู้เริ่มต้นถ้ารู้ไปถึงปิยะรูปหรือสาตรูปก็เป็นรูปที่พอสัมผัสแล้วมันเกิดอาการน่ารักปิยยินดีสาะ ยินดีพอใจเป็นสาตรูปเป็นปียะรูปอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่าเป็นทิรักที่พอใจตอนนี้เราเกิดกิเลสแล้วเกิดแล้วตอนเนี้นี่แหละตัวร้ายได้จะต้องศึกษารูปพวกนี้แหละอ า, อาการของเราอาการจิตของเรามันเกิดอาการปียะรูปสาตรูปพวกนี้แหละระวังเธอนะนะเพราะงั้นจะไปติดไปยึดไปอะไรใจอยู่เนี่ยก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้จิตเราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้มันก็จะ เพราะว่าไอ้ปียารูปหรือว่าสาตารูปเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งที่มาของตัณหาอ่ามันเป็นที่มาของตัณหาเข้าใจยากไมไม่ไม่เข้าใจยากใช่ไหมปียะรูปสาตรูปคุณสุภัทละรูปนี้แล้วมันเกิดอาการปียะเกิดอาการสาตะมันเป็นเออไอ้ที่มันน่ารักเว้ยอันนี้น่าพอใจเว้ยมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งตัณหาเข้าให้แล้วเคยเกิดกันมามั่งไม่เล่า เออเห็นไหมพวกเรานี่ศึกษาแล้วจะรู้ว่าเออและไอตัวตนของตัณหาเนี่มันเป็นอัตตาหรือเปล่าเป็นหรือเปล่า เ, เ, เ, เป็นอัตตาเพราะมันเกิดแล้วมีแล้วแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยสับทุกสรรพสิง่งไม่ใช่อัตตาใช่เมื่อคุณจบแล้วคุณล้างอัตตาเนีเป็นอนัตตาแล้วคุณก็ไม่มีเพราะความจริงจริงจริงสุดยอดน่ยมันไม่มีจริงหรอคุณหลงมันมีตั้งหากแล้ว แล้วคุณไ ม, ไม่รู้ว่าตัวเองหลงติดหลงยึดมันอยู่เป็นอุปทานอยู่แล้วคุณก็ปฏิเสธก่อนเลยคุณก็ไม่ได้เรียนรู้ล้างมันสุยสว ย, สวยคนที่ไปหลงติดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนแล้วก็บอกใครยังไม่เห็นว่าตัวตนในตนมีคนนั้นยังมิฉาทิเตียู่ใครแน่ว้วยมิฉาเห็นไหมหน้าของศารนะหน้าของศารอท่านผู้ที่รับฟังอยู่ที่เข้าใจอย่างที่อาตมาว่าก็ จบสุดสู้สร้างละพะเตปัญญาฟังได้ดีเราจะได้ปัญญาจะได้รู้ชัดเจนนะรัะในรูปต่างๆนี่คือสิ่งที่ถูกรู้นะลองมาอ่านที่อาตมาพยายามเรียบเรียงนะเรียบเรียงคําอธิบายสักนิดหนึ่งนะอาตมาพยายามเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อที่จะใช้อธิบายให้พวกเราได้เข้าใจความละเอียดละ อ, อของธรรมะนี่ขึ้นมาหน่อยนะ อ, อย่าเพิ่งไปเอานิโรธเอาตัวที่เป็นภาวะของจิตตัวนี้เออัตมาให้ทูเดนทำถ่ายไว้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ของเก่าไม่ใช่วันนี้วันนี้ถ่ายไปในของใหม่ของใหม่ของเก่านี่คืออยู่ในหน้าห้าของอนี่แหละคอลมนี้แหละาอาตมา พยายามที่จะอธิบายถึงเรื่องภาวะที่ปรากฏาภาวะที่ปรากฏคือธาตรู้ของเรานี่คือวิญญาณวิญญาณเราก็จะไปกระทบรู้กระทบแล้วก็จะเกิดการรู้จะเกิดการเข้าใจวิญญาณที่เกิดขึ้นมาทํางานธาตรู้ของเรานี่มันเกิดไปสัมผัสแล้วมันก็จะต้องรู้ถ้าไม่สัมผัสพระเจ้าไม่ให้ไปศึกษาตัวนี้อดีต ท, ท่านแตแปดกรสานภิกษุสาติเนี่ย จะต้องสัมผัสตัวนี้วิญญาณสัมผัสตัวนี้เห็นแล้วก็ของจริงสดๆนี่แหละให้เรียนรู้วิญญาณตัวนี้โดยผัสจมีตามีรูปมีตากระทบรูปก็เกิดรู้เป็นวิญญาณแล้วก็ศึกษาวิญญาณตัวนี้เรียกว่าชาติการเกิดของวิญญาณได้เกิดขึข้นมาะเพราะมีสัมผัสเป็นปัจจัยที่เป็นสภาวะสัจจะในการศึกษาของ เขงศาสนาพุทธต้องทำความเข้าใจให้ดีๆให้ถ่องแท้ว่าวิญญาณที่ศาสนาพุทธจะศึกษาจากความกัตสรูร้ของพระสมณะพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรกันแน่เป็นไฉนักันแน่ต้องศึกษาซึ่งความเป็นวิญญาณนี้มีนัยยะสาคัญอย่างมากยิ่งระหว่างศาสนาทั่วไปที่ชื่อว่าเทวนิยมวิญญาณนี่คำว่าวิญญาณนี่มีนัยยะสาคัญมาก ระหว่างาศาสนาพุทธทั่วไปที่ททชื่อว่าเทวนิยมส่วนมากเทวนิยมนั้นล้วนจะมีมนโนคติหรือมีคอนเซ็ปต์หรือว่ามีเทรนด์เทรนด์อัฟทอร์แนวนวมของความคิดของเขาเนี่ยมันจะเชื่อว่าความเป็นวิญญาณ น, นั้นคือภาวะที่ท่องเที่ยวไปน่าจมาอ่านขาวก่อนมาแล้วท่องเที่ยวไปภาษาบาลีเรียกว่าสันภาวติแล่นไปใน ตาภิกษสสุสาตินี่แหละแล่นไปสังสรารติไม่ใช่อื่นอันนี้แหละคือวิญญาณมันล่องเรี่ยวท่องเที่ยวไปในไหนเนี่ยท่านก็อว่าโมคบุรุษใครสอนเธอพระพุทธเจ้าทำไม่ได้สอ น, อ, น, น, นอันนั้นอันนั้นเนี่ยไปวุ่นวายท่านสอนให้ใหมันเป็นสัจธรรมเป็นตัวที่สัมผัสได้แล้วเอามาใช้งานนะไม่ใช่ตัวนั้นนะพอดีเมื่อวานนี้ผมดูทีวีที่คเน้นเรื่องนโลกสวรรค์นะ เขาถ่ายเห็นเลยว่าพอตายปุ๊บเนี่ยวิญ ญ, ญาณออกจากร่างใส่เสื่อผ้าเรียบร้อยเลยเ่ยวิญญาณเท<อ>้าเที่ยวผ่าน <พา S 1> นั้นเป็นอรูปเลยเนาะเป็นรูปที่มีรูปเลยนะครับอนั่นแหละมโนมัยอัตตาเป็นรูปที่สําเร็ จ, าาททรจด้วยจิตเป็นอัตตาแท้ๆที่สําเร็จด้วยจิตคนนั้นแล้วคนก็มีเขาเห็นจริงๆนะเขารู้จริงๆเลยมีเอเอตรงนี้แหละตรงนี้แหละไล่ไปนะนะเพราะฉะนัะน้นอภาวะที่ท่องเที่ยวไปหรือว่าแล่นไปไม่ใช่อื่นเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสว่าอันนี้คือสัสธรทิฏฐิเชื่อกันอยู่อย่างนี้เทวะิยมจะเชื่อกันอย่างนี้คือว่าเห็นว่าวิญ ญ, ญาณเป็นตัวเป็นตนมีสรีระมีร่างกายมีรูปโฉมแล้วก็ล่องลอยท่องเที่ยวอยู่ทั่วไปในภพหรือในทินดินแดนนรกสวรรค์ต่างๆปรากฏตัวให้คนเห็นก็ได้หรือผู้มีฝึกฌานฝึกสมาธิเก่งๆก็สามารถจะเห็นวิญญาณ เห็นวิ ญ, ญญาณตามที่เทวนิยมเชื่อกันว่ามีรูปร่างโฉมกายคือมีสรีระนี่นะถ้าผู้ใดมีภูมิถึงขีดถึงขั้นหรือมีความเก่งจึงจะสามารถเห็นรูปร่างโฉมกายของวิญญาณดังว่านี้ได้และจะเป็นวิญญาณเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดวนเวียนอยู่ในวัฏสงสา ร, รไปตลอดกาลนิรันดรเชื่อว่าวิญ ญ, ญาณ น, นี้ไม่มีดับไม่มีศูนย์ด้วยเกิดแล้วตายตายแล้วเกิด เพราะงั้นในศาสนาเทวนิยมหรือศาสนาที่มีพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะสอนให้ทําให้วิญญาณนี้สะอาดวิญญาณนี้ปราศจากอกุศลแล้ววิญญาณนี้ก็จะไปอยู่กับพระเจ้านิรันดรของเขาจะมีศรัทธาอย่างนี้เป็นวิญญาณจะอยู่นิรันดรไม่มีสูญหายไปไหนแกงเก่งแตาไม่สะอาดบริสุทธิ์ทําให้ไม่มีความชั่วไม่มีกิเลสไม่มีอะไรแล้วไปอยู่กับพระเจ้าเทวนิยมเขามีคอนเซ็ป มิเทโลฟทอดอย่างนี้นะนี่คือสัจ ส, สตะทิฏฐิคือความเห็นว่าอัตตานี่เที่ยงทีนี้ไม่แต่เพียงชาวเทวนิยมทีนี้นะไม่ใช่ชาวเทวนิยมเท่านั้นที่เชื่ออย่างนี้แม้แต่ชาวพุทธแท้ๆนี่ที่ยังมิฉาทิฏฐิอยู่เนี่ยก็มีทิฏฐิแบบสัจสตะทิฏฐินี้กันอยู่มากมายนะับไม่ทวนแต่ มันไม่สมบูรณ์เท่านั้นเท่านั้นเองแต่ในย่านี้สัตตะอย่างนิรันด์อยู่เนี่ยเพราะฉนั้นชาวพุทธบางโม่บางกลุ่มเนี่ยจะมีทิฏฐิแปลกแย่ไปอีกแบบหนึ่งเช่นว่าเข้าใจว่าในชีวิตคนเป็นเป็นเนี่ยคนเป็นเป็นนี่เท่านั้นนะวิญญาณไม่ใช่ตัวตนในคนเป็นเป็นเนี่ยวิญญาณไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่แอปตา อัตตาตัวตนจึงไม่สามารถจะมีอยู่ในคนเป็นๆ น, นี่ได้เขาว่างเงนเลยในคนเนี่ยในคนเป็นๆเ น, นี่ยอัตตามีอยู่ในนี้ไม่ได้เพราะอัตตามันไม่ใช่ตัวตนเพราะในตัวตนคนเป็นๆ น, นี่ไม่มีได้ถ้าคืนผู้ใดเข้าใจว่าในคนนี่มีตัวตนมีอัตตาผู้นั้นมิชาทิฏฐินะจ๊ะวางเงินเลยเขาใส่ครอบเลยในตัวตนนี่ถ้าคืนว่าไปเห็นว่าอัตตามีอยู่ในตัวเรานี่ยนะ คนนี้มีชาติถฐิแล้วอย่าไปคิดอย่าไปเห็นมีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้ในตัวคนเนี่ยในคนคนเป็นเนี่ยไม่ให้เรียนเลยว่างั้นเถอะปิดประตูเรียนปฏิเสธปฏิเสธลุกตัวตนเลยคนนี้พวกนิรัตนิรัตตาคือไม่มีตัวตนโดยประการทั้งปวงแต่มีนะมันแปลกคนเข้าใจอย่างนี้ก็มีในชาวพุทธเนี่ย เนี่ยแสดงตัวตนมาใ like ห่ตาใบเห็นเลยเขาแสดงออกอย่างนี้อ um ัตมาหยิบมาีนจากที่เขาเป็นอัตมายังนึกไม่ออกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้หร um ือเปล่าถ้าอัตมาเองนะจะเป็นอย่างเขาเป็นเนี่อะไรหรือเปล่าอัตมายังไม่รู้เลยว่าเอในตัวคนไม่มีแล้วตายไปไม่มีได้วะอัตมาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะคิดอย่างนี้เป็นหรือเปล่าแต่ที่คิดได้เนี่ยเพราะเขาเป็นมาให้อัตมาเห็นเขาแสดงออกมาให้อัตมารู้ได้แบบอ๋อเขาคิดอย่างนี้เหรอคนเจ็บก็เป็นนี่เหรอโอเทรนด์ออฟทอดของเขาเป็นงี่เหรอ อาตมาเพิ่งเข้าใจอ่ะอ๋ออย่างงี้ก็มีด้วยเนาะเราก็แปลกๆอยู่คือเขาเขาแค่บอกว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าได้เรียนมาสัพเพฒธธมานาตาพระพุทธเจ้าท่านตรายบางยิ่งเขาก็สรุปมาเลยซึ่งแปลเป็นคําไทยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนอ่าก็แปลกันไม่ผิดหรอกอะแปลอย่างนี้จริงแต่คนผู้นี้ต้องใช้คําว่าใช่เท่านั้นนะอ่าใช่ใช้คําอื่นไม่ได้นะต้องบอกไม่ใช่ตัวตนจะใช้คําว่ามีก็ไม่ได้ จะใช้คำว่าเป็นก็ไม่ได้เป็นตัวตนก็ไม่ได้มีตัวตนก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าใช่แล้วมันมีไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันมีใช่ไหมเขาไม่พูดเขาพูดแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวแล้วมันใช่ตัวตนไหมไม่พูดมันก็ก็สเพชั่มมาอานาตานี่มันไม่ใช่ตัวตนนี่ก็คุณไ่พูดตัวตนได้ไงอันต้าได้ไงอ่ามันต้องไม่ใช่สิถ้าคือไม่ใช่อยู่งั้นน่ะ วิชาธิฏิคือติดอยู่ในพยัญชนะเท่านั้นอัตมาก็ว่าถ้าคืนไปเถียงกับพวกนี้นะ่ะปวดหมองตายเสียน้ําลายเสียแรงงานเปล่าเลยนะไม่เข้ายาแล้วนะเขาไปคือเขาไปไพร่เข้า ใ, ใจอย่างนี้นะเขาเข้าใจว่านอกร่างกายคือเขาเข้าใจว่าในตัวคนนี้มีไม่ได้แต่ไปไพร่ไปเข้าใจว่านอกร่างกายคนออกไปเนี่ยเห็นว่าวิญญาณมีได้แล้วมีรูปร่างโสมกายด้วยนะ มีตัวตนให้เห็นได้ด้วยนะตายไปแล้วเนี่ยนะเขาเชื่อว่าวิญญาณของผู้ทําบาปจะต้องไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์อยู่ะมีตัวตนไปขึ้นสวรรค์ไ ป, ไปตกนรกนะวิญญาณนี่แหละเดินทางท่องเที่ยวไปสู่นรกสู่สวรรค์อ่าแล้วมันก็มีหรือไม่มีกันละ่ะอพอตายแล้ววิญญาณไปตกนรกตกสวรรค์แล้วมันมีตัวตนไหมละ่ะถามหน่อยสิโอปรเดี๋ยวก็ว่าไม่มีตัวตนแล้วตายไปแล้วเอามีแคมีอ่า แต่ตอนนี้ไม่ให้ศึกษาบาปบุญไม่ศึกษาสาเหตุที่ไปตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ไม่ให้ศึกษ า, า, า, กกษาย่าไม่ศึกษาไม่มีตัวตนเพราะงั้นที่ว่าปฏิเสธสัจธรรมที่เป็นสภาวะที่ในสัจจะแม้จะเป็นสมมุติคุณยังไม่ประมาทมันก็มีอยู่แล้วแต่คุณไม่เรียนแม้สมมุติเพราะฉะนั้นคุณไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจถึงปรมาทมแห่งสัจจะนั้นเลยเพราะสมมติใสัจจะคุณก็ปฏิเสธทิ้งไปก่อนแล้ว ไม่มีสัจจะใดๆเลยมันไม่มีมันมีที่ไหนล่ะมันไม่มีของจริงคือมันไม่มีเขาก็เอาสัจจะตัวเดียวว่าไม่มีไม่ใช่เขาไม่พูดไม่มีเขาพูดไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องใช้พยัญชนะตัวนี้ด้วยติดอยู่แค่พยัญชนะแค่นั้นน่ะนี่แหละคืออัตวาตุปาทานยึดได้แค่คําพูดหรือวาทะไม่ได้เข้าถึงสภาวะเลยนะเพราะเขาเชื่อว่าวิญญาณมีหรือไม่มีนี่แหละเอ่าก็มันก็ไม่รู้ว่าอะไรแน่มันเดินทางไปสู่นรกไปสู่สวรรค์มันมีหรือไม่มีก็ไม่รู้เรื่อง มันใช่ตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนมันมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนกันแน่ไม่รู้เรื่องนในเมื่อคนผู้นี้ยืนยันว่ายังมีสภาวะอย่างหนึ่งเดินทางไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์ก็ตท่ากับเข้าใจว่าวิาวญญาณมีนั่นก็คืออัตตามีน่ะสิใช่ไหมนะมันก็เลยยังไงอะวิญญาณไม่ใช่อัตตารมเป็นยังไง พูดไปพูดมาแล้วมันเป็นยังไงไม่มีมันบินตะมันไม่ใช่ตามเป็นยังไงก็งงๆก็เลยงงไอ้ที่ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวตนนั้นมันมันเป็นยังไงแล้วไอ้ตัวตนมันหมายความว่ายังไงกันแน่อนี่อาตมาก็พยายามใช้พยัญชนะไปให้เขาคิดเท่าที่เขาแสดงความเห็นออกมาเช่นนี้เนี่ยผู้ฟังก็เข้าใจความเห็นของผู้ที่แสดงออกมานี้ได้อย่างอาตมาฟังแล้วเข้าใจเขาไง่าย ว่าความเข้าใจของคนผู้นี้ยังไม่มีสภาวะธรรมของนามธรรมามีแต่ตักกะมีแค่ความเข้าใจในเหตุผลเท่านั้นและเป็นเหตุผลในเรื่องอัตตาว่าไม่ใช่ตัวตนคือปฏิเสธตัวตนเราด้วยนี่แหละคือผู้มีทิฏฐิเป็นนิรัตตาตัวจริงเลยคืออะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนนิรัตตา แต่ว่าไม่นิรันดร์ไม่ใช่จดตนอะไรอะไรก็ไม่ใช่จดตนหมดปฏิเสธนี่คือนิรัตตาปฏิเสกก่อนปฏิบัติมันถ้าผู้ใดปฏิบัตินะขออธิบายแทรกตรงนี้นิดหนึ่งถ้าผู้ใดปฏิบัติก็จะเข้าใจว่าอัตตาย่อมมีในผู้ที่ยังไม่หมดก็ต้องเรียนรู้อัตตาเองนี่เป็นอัตตทิฏฐิเป็นความเข้าใจเรื่องอัตตาทิฏฐิคือความเข้าใจมีทฤษฎีว่ามันต้องมีอัตาก่อน เสร็จแล้วก็ไปเรียนรู้ตามเห็นอัตตาให้ได้เมื่อเจอตัวไหนตัวนั้นเป็นอัตตาที่เรียกว่าสัก ก, กายหรือส ก, กายทิฏฐิความเห็นนั้นก็จะเกิดในตนสักกาแปลว่าในตนของตนตัวตนสักองประชุมของกายของตนเกิดก็จะเห็นตัวนี้สัพเห็นและคุณก็ตามเห็นตัวอัตตาตัวนี้เรียกว่าอัตตานุทิฏฐิ ตามเห็นอัตตาตัวนี้แหละคือส ก, กัดของตนตัวนี้แหะตัวกายองค์ประชุมที่มันเกิดจากผัดตาแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเห็นให้เห็นได้แล้วคุณก็จับตัวนี้เรียนรู้เหตุที่มันยังมีตัวตนตัวนี้แล้วก็ดับเหตุมันมันก็จะหมดจก็กระทั่งถึงอาสวะเป็นตัวสุดท้ายก็ดับอาสวะพอดับอาสวะตัวสุดท้ายได้อัตตาก็ไม่มีหมดไปตัวนี้เรียกว่าอะนัตตาไม่ใช่นิริตา ตัวนี้เรียกว่าอนัตตาคือตัวตนที่ตามาอันตานาทิฐิมาเรื่อยๆจนทําให้มันจางคลายจนกระทั่งทําให้มันดับมันไม่มีไม่มีมีจนชัดเจนว่ามันไม่มีถาวร ย, ยั่งยื่นแล้วคุณก็เห็นความไม่มีเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตน ต, ตัวนี้อย่างแท้จริงว่าเราได้ปฏิบตัติเราได้เห็นจริงไม่ใช่ว่าถ้าเป็นธรรมอนัตตาคุณก็บอกมไม่ใช่ตัวตัวตวไม่ต้อง ป, ปฏิบตัติคนนี้ช่วยตั้งแต่เบื้องต้นเลย อแล้วก็ไปใช้ตักกะเอาเหตุผลเอากโอ้โหในร่างกายนี้ไม่มีตัวตนแต่ตายไปแล้วดันมีตัวตนอีกอัตมาก็งงงงแล้วมันเอาตัวตนจากไหนไปเกิดวันในตัวตนมันยังไม่มีมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยมันต้องออกจากตัวนี้ไปแล้วมันเอาของใครมาของเราเองอ่ารอมีผู้ขยายความให้อัตมาได้รับความรู้เพิ่มเติมว่า เขาเข้าใจว่าในตัวตนเนี่ยไม่มีวิญญาณตายไปแล้ววิญญาณค่อยมีนะวิญญาณคือสิ่งที่ล่องลอยออกจากร่างไปอย่างนั้นเหมือนภิกษุสาติน่ะแหละวิญญาณคือล่องลอยท่องเที่ยวไปอย่างนั้นอยู่ในร่างกายที่มีผัสสนี่ไม่เกี่ยวเลยเขาไม่ศึกษาตัวนี้เขาไม่ึนึกถึงตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องศึกษาตัวนี้นี่แหละโมคะบุรุษภิกษุสาติพระพุทธเจ้าจะบอกโมฆะบุรุษ เ, เนี่ยระวังจะเป็นบนสาตินะ คข่ไข่ขระวังหน่อยระวังตัวหน่อยระวังเนื้อระวังตัวหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ยึดได้แต่แค่ภาษาแค่คําพูดนนี่แหละคือชัดเจนว่าเป็นอัตวาทุ ป, ปาทานเป็นผู้ที่ยึดได้แค่คําพูดท่า น, นั้นว่าเป็นตัวตนอัตตาอัตตา น, นี่คือเป็นตัวตนซึ่งก็หมายเอาว่าในตัวคนที่มีชีวิตเป็นๆอยู่นี่ก็ยึดคําพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตน อดังนั้นในร่างคนเป็นๆนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนตัวตนมีไม่ได้ตัวท่านกล่ว่าวิญญาณมีไม่ได้วิญญาณมีในตัวคนเป็นๆนี้ไม่ได้เพราะเขาึได้ศึกษาภาษาและได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมาแล้วในภาษาเลยนะเขาเคยใจในภาษามาแล้วมาจากคําคําตัดของผู้เจ้าด้วยนะอ้างอิงยืนยันด้วยแล้วก็เข้าใจอย่างทราบซึ้งด้วยว่าอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนจะเถียงอาตารมัก็ไม่ได้เถียงนะ คุณผู้บรรดาไทยถูกอยู่แต่คุณผิดโอกาสผิดสถานะผิดเวลาคุณไม่มีตัวตนแล้วจึงหรือคุณไม่ใช่ตัวตนแล้วจึงหรือคุณจึงปฏิเสธแล้วไม่ศึกษาน่ะมันก็เลยเจงสิมันมีโดยที่มันกินเนื้อกินตัวคุณอยู่แล้วคุณก็ไม่รู้มันไม่ศึกษามันเมื่อคำตรัตมีว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนนะต้องใช้คําพูดเท่านั้นด้วยนะอ่า ดังนั้นในร่างกายคนเป็นนที่มีชีวิตอยู่นี้มีตัวตนไม่ได้ไม่มีตัวตนถัดเืนใครเข้าใจว่าในร่างกายคนมีตัวตนเป็นมิจฉาทิฏฐิกลัวไหมอ่ะไม่กลัวได้ไงโอเคอุตส่าห์ขู่อย่างหนักถ้าคขนมีตัวตนนี้มิจฉาทิฏฐินะไม่กลัวมิจฉาทิฏฐิเหรอมิจฉาทิฏฐิเขาสรุปอย่างงี้เลยทีนี้เมื่อคนตายไป ร่างกายแตกตายนะกายสสะเพทาปรมามรณาหลังจากการตายไม่มีร่างกายแล้วเขากลับยังมีอะไรอันนึงไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์ไม่ดูมันสับสนแปลกแปล ก, ปลกนอมันยังไงชมกอนเนมันไม่มันไม่ชงกนอนเหรออาตมามันชงกอนอยู่นะพูดๆไปยังไงใครไม่เมาอาตมาเมาเขาพูดเนี่ยเขาไม่อาตมาเมาเมาไงแต่จริงๆอาตมาไม่เมาหรอก ชัดเจนนะซึ่งมันแตกต่างกับาศาสนาพุทธที่ชื่อว่าอาเทวนิยมที่มีมนโนคติหรือมีค uh, อนเซ็ปต์มีเทรนด์ออฟทอนี่ปะมันเป็นคนละทางกันนะเป็นคนในในยะสำคัญกันพิจารณาให้เห็นชัดๆเถอะนะว่าจะเข้าใจละเอียดได้ว่าการจะพ้นมิจฉาทิฐินั้นซึ่งผู้จะพ้นอวิชชาข้อต้นมิจฉาทิฐินี้ข้อต้นนะ จะพ้นข้อต้นนี้เท่านั้นได้ก็จะต้องมีตานะ่คือจกักษุนี่เป็นต้นกระทบสัมผัสสิ่งที่ถูกรู้คือรูปจึงจะเกิดความรู้หรือธาตุรู้ที่พระุทธเจ้าท่านเรียกว่าวิญญาณมีสภาวะให้เรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงมันเป็นของแท้แท้สัมผัสปุ๊บมันก็เห็นโอ้โหน่าคงไม่มีใครตาบอดอยู่ในนี้สักคนเลยตาดีเท่ น, นั้นใครเห็นรูปทุเรียนบ้างเอ่ย ยกมือไม่ยกขี้เกียจนะไม่เห็นนะคใครไม่เห็นอ่าถามใครไม่เห็นเดี๋วมานขี้เกียจยกมือชังเลยถามก็ไม่ค่อยยกถามกลับแล้วกันใครไม่เห็นตุเรียนบางเออยกมืออ่าไม่เห็นหรออตั้งใจฟังไม่ทัน <S <S เห็นกันทุกคนใช่ไหมนั่นละวิญญาณคุณเป็นธาตุรับรู้นั่นแหะคือของจริงคุณเห็นเดียเ๋ยวนี้นี่ของช่างอนี่เนี่ยเป็นของปัจจุบันธรรมนี่นะของจริงคุณ พอมันกระทบเข้าไปพับแล้วแมมันน่าแกะ อ, อ้ยูมันคงมันเลอนะคงลูกตรงสเปกนาใช่ั้มนั่นเกิอดอาการทางใจคุณปรุงแต่งเพิ่มเติมก็ไปแล้วจากการสัผัดนั่นละให้เรียนพวกนั้นแหละคุณเลยคุณบ้าก็มันมาเท่าไหร่แล้ว คุณไม่ติดใจในรูปทุเรียนก็อื่นๆก็เทอากันในยะอย่างนี้แหละเย่ยงนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมนี่แหละคือของจริงให้เรียนถ้าจับของจริงให้เรียนอย่างนี้ไม่ได้คุณไม่เจอของจริงสดๆคุณจะเอาแต่ของแห้งไปสัมผัสสัมผัสและไอ้ของสด น, นี่คุณก็เผลอลิ้มเล็มล ม, มันอยู่นั่นแล้วชาดแล้วชาดเล้าฉันไปด่ารหันแล้ ว, ลวคุณก็ยังลิม้มเล็มอะไรรสชาติอย่างงน้นอย่างนี้อยู่นะอภัย อาตมาเป็นนึกถึงผู้ที่ท่านเขี้ยวมากเมื่อกี้นี้แวบไปก็บอกความจริงให้ฟังท่านก็ยังติดรถมากอยู่อย่างนั้นแนะท่านก็ไม่รู้ถ้าเป็นอาหารหันต์แล้วก็ตามท่านก็ลงไปเงี่ยเสื้ออาตมาก็ว่าโอ้เนี่ยมันไม่ไม่ชัดเจนในธรรมะพระพุทธเจ้าน ะ, ะซึ่งคำว่าวิญญาณนี่แหละที่จะต้องเรียนรู้อย่างมีทิฏฐิเข้าขายสัมมาทิฏฐิแท้จริงในาศาสนาพุทธตามที่พระพุทธเจ้าทรงย้ํายืนยันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง พิกษุสาติและภิกษุทั้งหลายาผู้สนใจก็ไปนคนในพจนปกเล่ม12ข้อ 444-440 ใครจะเห็นวิญญาณกันได้จริงก็ต้องมีวิปาาัสสนาญาณใครจะเห็นวิญญาณได้จริงต้องมีวิปาาัสสนาญาณซึ่งเป็นการเห็นเห็นของจริงด้วยการสัมผัสของจริงนั้นเห็นของจริงด้วยการสัมผัสของจริงนั้นแม้จะเป็นนามธรรมา นอกจากจะเป็นของหยาบละเอียดเป็นรูปธปรรมแล้วแม้แต่นามาทำขั้นละเอียดสุดยอดปานใดปานใดก็ตามละเอียดภาษาบาลีเรียกวันนิปุนาแต่ของละเอียดขนาดนี้ก็ต้องเกิดจากปัจสติที่ท่านตัดไปเนี่ยต้องมีปัสติในวิโมกแปดด้วยกายนี่แหล ะ, ะต้องเกิดจากปัสติคือเห็นและเป็นการเห็นที่ต้องมีสัมผัสหรือถูกต้อง ภาาบาลว่สัมผัสหรือภาษาไทยเราว่าภาษาไทยก็เอาสัมผัสมาจากบาลีและผัสสะหรือสัมผัสเขามีเยอะผัสสะมั่งพุทสติมั่งพุดสิตะไม่ใช่ผุดสติพุดสิตะผุดผุดถะพุดโถอะไรเนี่ยผุดถังก็ภาษาบดีแปลว่าสัมผัสทั้งนั้นจึงจะเป็นปัญญาหรือความรู้ที่เรียกว่าสัมมปัญญาที่เข้าขั้นปรมัตถธรรมคือภาวะที่เป็นอยู่ทรงอยู่ชัดชั มันมีของจริงหลัดหลัดทัทเดี๋ยนี้มันก็เห็นอาการของหน้ามาทำขณะ น, นี้มันเห็นมันวิญญาณขณะนี้เกิดอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่ทผัทเดี๋ยวนี้ก็เกิดอยู่เดี๋ยวนี้นะซึ่งหมายความนะด้วยสื ant ่นความหมายแท้แท้ของคําว่าปรมัต ธ, ธรรมนั่นก็คือภาวะแห่งธรรมะที่เป็นความจริงสูงสุดภาวะแห่งธรรมะคือสิ่งที่ทรงอยู่สูงสุดหรือภาวะที่ทรงไว้อยู่มันทรงอยู่มันมัากลังสัมผัสอยู่หลัดหลังอยู่ ในขณะนั้นเป็นความจริงสูงสุดนี่คือความจริงที่สูงสุดต้องสัมผัสอยู่ระดับร้อนตรงๆเลยอันมีหลายระดับและภาวะที่ว่านี้เป็นภาวะขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานนะจะไม่ถึงนิพพา น, นาเอาแค่จิตเจตสิกรูปธปรรมลึกเข้าไปถึงอรูปธรรมนะมันามาลึกเข้าไปเป็นรูปธรรมแล้วอรูปมีรูปก็คือมันมีภาพชัดอรูป ไม่มีภาพชัดแล้วไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ชัดขึ้นไปละเรียกว่ารูปประกอบกายผลตัณฑ์นี้ก็จะเกิดองค์ประชุมการรู้ระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งประชุมกันรูปกับนามประชุมกันเรียกว่าเกิดรูปประกายเพราะต้องรู้ด้วยการสัมผัสตลอดไปถึงนามปรกอบกายเพราะฉะนั้นถ้าตัดรูปข้างนอกรูปปารูปปังเอาแต่นามข้างในเป็นองค์ประชุมของนามประกายคุณก็สามารถจะรู้นามประกายนั้นได้ ที่เกิดจากนามมารูปคุณจะต้องมียานอย่างรู้ถูกรู้นามที่ถูกรู้นามมารูปคือนามที่ถูกรู้โดยยานของเราโดยปัญญาของเราแม้มันจะเฉพาะแต่นามตัดรูปไม่ต้องเลยตัดตาเลยใช้สัญญากําหนดขึ้นมาสาเร็จด้วยจิตหรือสําเร็จด้วยสัญญาคุณก็จะสามารถรู้นามรูปแล้วได้อันได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัด สัมณสิการนี่ก็เอามาจากตำราเป๊ะเลยนะกลัวตกรลนจะตายไม่ เ, เด้จะไม่ครบพระพุทธเจ้าสอนอนี่เรียกว่านามกับมหาภูต ร, รูปสี่ทีนี้รูปนะและอุปาทายรูปสี่นี่เรียกว่ารูปนามและรูปดังพันนามานี้เรียกว่านามรูป ตำลาอ ย, ย่างถือมาด้วยนะพระเจ้ปิฎกเล่ ม, มนี้ถ้าเปิดข้อสิบสี่พวกนีเจออันนี้เลยในวิพัตกระสูตรนะเอาเปิดอ่านอีกทีก็ได้ต้องย้ำอย่างนี้ซ้ำซากใครฟังอัตมารําคาญก็ขออาภายัยทนฟังหน่อยหน้าจะได้รู้ดีถ้าไม่ทนฟังไม่รู้ดีนะจะรู้ชัดด้วยฮะข้อสิบสี่ในพระเจ้ปิฎกเล่มสิบหกก็นำ ม, มารูป ฟังดีนะท่านใช้คำว่านามรู้เป็นชนไหนเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี่เรียกว่านามท่านแบ่งไว้แล้วนะว่านามนามคือห้าห้าอาการนี้เดยวอัตมาจะขยายกันยาวเลยวันนี้ขยายตรงนี้ตั้งใจจะขยายตรงนี้ไม่ต้องไปไหนกันมากหรอกเอาให้ละเอียดเลยจะได้ชัดเจนนะ นี่คือนามห้าคำนี้เดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้พูดกันนามมรรูปเป็นไงนามบรูปท่านก็แจกว่านี่คือนามนะเวทนาสัญญาเจตนาปัตตมานสิการนี่เรียกว่านามส่วนรูปกับมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ก็คืออุปาทายรูปนั่นเองนะในพยัญชนะนี่ท่านใช้คําว่าอุปาทายรูปเลยแต่ท่านมาแปลเป็นไทยขยายว่าแปลว่ารูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่แต่ที่จริงในพระบาลีนั้นอ ท่านใช้มหาพูตนังอรู ป, ปาทายะรู ป, ปังเนี่เป็นวลีท่านใช้อุปาทายรูปกับมหาพูตรูปสองคำแต่ท่ามาแปลในพระธรรมจีนแปลว่มหาพูตรูปสี่กับอไอสีนี่กำกับไปแล้วด้วยจตุจตุนันจะข้างหน้าคือสี่มหาพูตรูปสี่กับอุปาทายรูปสี่นะแต่ท่ามาแปลขยายของมารูปที่อาศัยมหาพูตรูปสี่คือมันเนื่องเกี่ยวเข้าไปหาข้างในต้องสัมผัสข้างนอกก่อน แล้วก็ไปเป็นกายในกายเป็นมหาเป็นอุปาทายรูปนี่เรียกว่ารูปท่านแบ่งแล้ววันอันนี้รูปนะตัวข้างนอกอันนี้นะรูปไอข้างในเนะี่ยหาอันน์นะนามนะทีนี้นามมารูปเป็นไหนก็ต้องสัมพันธ์กันระหว่างนามกับรูปนามและรูปดังพันนามาชนิดเรียกว่านามมารูปต้องเกี่ยวข้องกันต้องสัมพันธ์กันนะ ถ้าไม่เกี่ยวข้องกันไม่สัมพันธ์กันมันก็ตกต <c oughs> นั่นที่อาตมา <c oughs> เอาศัพทวิจารมาพูดไปถึงไปก่อนแล้วว่ากายภาวนากา ย, ยะภาวนานั่นคือการฝึกอบรมกายให้รู้จักการติดต่อเกี่ยวเนื่องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกอินทรีย์ห้าด้วยดี เพราะฉะนั้นจะรู้กันก็ต้องมีนามเข้าไปเกี่ยวัของภายนอกเรียกว่าการกายภาวนาเพราะการปฏิบัติที่ไม่มีกายภาวนาไม่มีข้างนอกห้าคนเข้าไปภาวนาแต่อยู่ข้างในไม่มีกายภาวนาไม่มีองค์ประชุมที่จะรวมจกักทั้งห้านี้ด้วยดีเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่เกิดภาวะที่รวมเป็นกาย เรียกว่ากายภาว่าหรือกายภาพมันก็ไม่เกิดคุณก็ไม่รู้จักกายภาพที่สมบูรณ์นะก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ครบคำตัดคำสอนพูะพุทธเจ้าคุณก็ไม่ได้ บ, บริบูรณ์แน่นอนนะอ้าผ่านนะอันนี้ยกอ้างแต่เฉพาะคำว่านามรูปส่วนคำต่อมานวิญญาณวิญญาณทั้งกับอกวิญญาณคือวิญญาณที่เกิดต่างหูงจมูกลิ้นกายใจ ที่กระทบสัมผัสตามที่เราอําลังก่าอยู่นี้นะเพราะงั้นทีนี้เรามาดูต่อนิดหนึ่งนะเดี๋ยวอาตมาจะขยบเข้าไปขยายความเมื่อกี้นี่เป็นความสัมพันธ์นนต่อเนื่องกันยังไงในบริบทของปฏิสมุบาติผู้ปฏิบัติจะต้องเรียนรู้ให้ชัดว่าพราะพุทธเจ้าตรัสการจําแนกคือวิพังวิพังข้านี่คือการจําแนกความเป็นนามรูปไว้อย่างที่อาตมาได้นำมาอธิบายนี่แหลคือขยายความไปแล้วเมื่อกี้เาอ่านจากพระไตรปิฎกแล้ว นามารูปคือนามนอย่างนั้นมีห้ารูปนั้นมีสองนะเดี๋ยวจะอธิบายความสัมพันธ์เกี่ยวข้องมันให้เป็นกายะภาวนานะภาวนานี้ไม่ได้หมายความว่เาเอามาท่องบทมาจำไม่เฉยนะให้เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติปริญัติเอาไปปฏิบัติจนเกิดผลเรียกว่าภาวนาถ้าไม่งั้นคุณก็ไม่ถึงขั้นภาวนานะเพราะในปฏิสมบัติในบริบทของปฏิสมบัตินี้ผู้จะต้องเรียนรู้ให้ชัดว่าพระพุทธเจ้าตัดจําแนก นามารูปไว้อย่างที่อาตมาได้นา ม, มาดูดันแล้วนในข้อสิบสี่พระตบิโลกสิบหกเนี่ยแม่ที่สุดภาวะที่ยอดปลายภาวะขั้นยอดขั้นปลายขั้นนิพพานก็สามารถสัมผัสความจริงนั้นด้วยวิชาหรือด้วยความรู้ที่ต้องครบมิโมกแปดและต้องเข้าขั้นสัมผัสร้วยกายสัมผัสเป็นองค์ประชุมของรูปและนาม ครบคันอยู่พร้อมโดยมีปัญญาขั้นสมบพัญญาอันแท้จริงจึงจะสัมผัสภาวะแห่งนิพพานในตนและจะรู้แจ้งเห็นจริงนั้นก็ต้องจับต้องอยู่หรือสัมผัสภาวะนั้นๆอยู่ต้งโต ง, ตงทนโทษลัดลัดใช้ภาษาไทยให้ครบๆใช่ไหมจะต้อง ทับผัดเป็นปัจจุบันนรรมเดี๋ยวนั้นอยู่ตรงโตๆทนโทษหลัดหลั ด, ลดเลยเดี๋ยวนี้สตเดลีตอนนี้เลยสัมปติภาษาบาลีจะว่ะาหน้าบัดเดี๋ยวนี้เลยนะภาษาบาลีว่าสัมปติณบัดเดี๋ยวนี้สติเดลลี่ทันทีทันใดนี้เลยเห็นอยู่ตดดักนี้เลยจึงจะชื่อว่าของจริงสดๆหรือความจริงสดสด ที่ยืนยันกันได้เป็นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเป็นปัจจุบันในภาวะนั้นนั้นมีอยู่เป็นอยู่ถ้าคุณเอาตาออกไปเนี่ยมันไม่มีแล้วนะทุเรียนหรือว่าไ อ, อ, อ้ลางศาสตร์กระธรี่คุณเอาตาออกไปจากอันนี้นะมันไม่มีแล้วใช่ไหมมันมีก็สัมผัสอยู่มันรัดๆกเลยเ อ, อ่ใช่แล้วนี่กระทร์นี่ลองกองอ๋อนี่ทุเรียนบเบลอเลยโอ้โหน้าแหลมเลยเ น, ยนะนะ มันก็ทรงอยู่ผ่านบัตรให้เรารู้รหลัดหลัดเลยมีทั้งรูปปรธรรมและทั้งนามมาทําให้เรารู้อยู่มีอยู่ทรงอยู่เรียกว่าธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ทรงอยู่ลัดหลัดเลยมีทั้งรูปมีทั้งนามที่หมายถึงภาวะที่ทรงอยู่หรือสภาวพที่ทรงไว้ถ้าเมื่อ น, นั้นมันไม่มีทรงไว้คุณไประลึกขึ้นมาในใจอีกทีหนึง่งมันก็ทรงขึ้นมาให้คุณรู้ว่าคุณจํามันไว้ ถ้าคุณจํามันไม่ได้เลยคุณจะมีทรงไว้ไหมมีธระหรือมีธรรมานั้นไหมไม่มีคุณะระลึกขึ้นมาอย่างง่ายก็ไม่ออกไม่เห็นจําไม่ได้แต่คุณจําได้คุณะระลึกขึ้นมาได้ด้วยสัญญาใช่ไหมการกําหนดรู้แต่ทีนี้ไม่เอาแค่สัญญาเลยเอาสดสดเลยสัญญามันของแห้งอันนี้ของสดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดสดสดจับตัวมันตรงนี้แหละคือเราจับต้องจั บ, จบโจรในขนาด จับตัวมันได้สดๆเลยเลยถึงจะเป็นโจรไม่ใช่คุณไปเอาโจรแต่ในภาพวาดแล้วก็คิดเออโจรเปนรูปร่างนี้เสร็จ แ, แล้วก็มีจับโจรตัวโจรไปเจอโจรทุกทีก็ไปเชื่อแต่ในภาพวาดได้แต่ภาพวาดภาพจินตนาการมันของแห้งคิดว่าอตาตมาใช้คําสดกับแห้งนี่มาอธิบายขยายความโดยพระจทรไทยนี่มันทาคดีนะเข้าใจได้ชัดดีนะนะเพราะงั้นปฏิบัติทํามท่าไม่ใช่ของสดนี้ พระบุตรเจ้าท้าไม่ยอมรับไม่สัมผัสกิโมกแฉด้วยกายแล้วเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งอไม่ใช่ามายืนยันเพราะฉะนั้นภาวะใดภาวะใ ด, ะใดมีแต่รูปไม่มีนามการตัดสินในที่นั้นไม่เกิดการตัดสินไม่ได้ภากดีนะภาวะใดถ้ามีแต่นามเมื่อกี้มีแต่รูปไม่มีนาม ภาวะได้มีแต่ น, นามไม่มีรูปก็ไม่มีการตรัสรู้หรือตรัสรู้ไม่ได้เหมืยนกันตรัสรูแ้แปลว่าอะไรตรัสรูแ้แปลว่าความรู้นะความรู้ที่เป็นอาริยธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสั่งส่งคนพบแล้วนํามาประกาศให้ผู้ศึกษาฝึกฝนปฏิบัติปฏิบัติตามจนเราเกิดเกิดผลมีภาวะแห่งพุทธธรรม ตามที่พระพุทธองค์ท่านเอามาประกาศนั้นแล้วเราก็ได้รู้ภาวะแห่งผลจริงนั้นในตัวเราที่ทำได้เกิดผลันนั้นแล้วก็รู้ตัวเรา ท, ทำได้ตรงพุทธธรรมตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสท่านตรัสว่ายังไงก็เอาให้ตรงคำสอนตามพระอนุสาสนีเรามาปฏิบัติแล้วโอ้โห و, เป็นนามารรมทำก็รู้นามาทําเป็นถึงขั้นนิพพานก็สัมผัสนิพพานอยู่ ทนโทษของเราหลัดๆเลยตรงเนาะท่านอธิบายท่านนิยามว่ายังไงมันชัดหมดเลยนะซึ่งคำว่าตัดสรุนี้น ะ, ะคำเรียกภาวาพาะพอผู้ของผู้บรรลุพุทธธรรมแล้วแจ้งผลรู้แจ้งพุทธรรมที่เราบรรลุนั้นของตนด้วยภาษาพอเสร็จแล้วก้กนยอ่อที่อาจะมาอธิบายเขยายเยาวเนี่ยย่อมาเป็นคำว่าตัดสรุ คือรู้ตามคําตรัสตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เอามาประกาศและมันตรงตามคาสอนเนี่ยอันนั้นเราเรียกว่าตัดจรูุความหมายของตัดจรู้ซึ่งคําว่าตัดจรูปนี้ใช้กับบรพูบรู้ธรรมอริยธรรมของพระพุทธเจ้าจริงได้ทุกคนตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจะไม่ใช่คําที่ใช้เฉพาะกับพระพุทธเจ้าหรือกับพระพุทธองค์คนเดียวเท่านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ใช้ แต่ใครที่ได้รู้ตามคํำตัดของพรุทธเจ้าก็เรียกเป็นแต่เพียงว่าของเรามันไม่ใช่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่โพธิหรือไม่ใช่ความรู้ที่เหมือนขั้นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นเองผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติจนกระทั่งไม่ติดยึดในรูปนั้นในนามนั้นไปได้ตามลําดับตามลํำดั บ, ดบพอรู้รูปรู้รนามแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดรูปนั้นนามนั้นแต่รูปนั้นนามนั้นมีอยู่ในโลกไหมมีอยู่ แต่เราหมดอุปทานาหมดติดยึดรูปนั้นอาศัยใช้เป็นสมาทานได้ด้วยว่ า, าเราก็พยายามนะไม่ติดรูปจิดนามนั้นได้ตามไปตามระดับก็เป็นผู้อยู่เหนืออยู่เหนือรูปนั้นนามนั้น อ, อยู่กับรูปกับนามนั้นแล้วได้เรียกว่าโล ก, กุตรชนคนที่อยู่เหนือรูปนามนั้นได้แล้วโดยไม่เกิดกิเลส ส่วนรูปนั้นนามนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสามัญลักษณ์ตามธรรมชาติของมันมันก็เกิดก็ตั้งอยู่ก็ดับไปของมันผู้บรรลุแล้วแม้รูปนั้นนามนั้นจะมีอยู่ท่านสัมผัสอยู่ท่านก็สักแต่ว่ารูปนามมันก็เป็นอยู่ของมันโดยท่านมีปัจจัตลักษณ์แล้วมีลักษณะของตนแล้วปัจจัตลักษณ์ลักษณะอย่างไร ก็เห็นมันเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละโดยไม่มีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมท่านทําได้โดยตรงของท่านเองเป็นปัจจิตังเวทิตโภวิญยูหีส่วนตนคนยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่มีปัจจัตลักษณ์อันนี Where ้คุณก็จะเห็นเหมือนกันกับผู้ที่มีปัจจัตลักษณ์เห็นมันเป็นสามัญลักษณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นแต่ใจคุณละเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในใจของคุณมีกิเลสเข้าไปร่วมปรุงกันมาหรือเปล่าถ้าคุณยังร่วมปรุงอยู่คุณก็ยังไม่มีปัจจลักษณ แต่ตรลักษณ์มันก็เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปมันก็เกิดอะไรมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายทั้งนั้นแหละโดยรูปโดยนามทั้งนั้นแหละถ้าคุณจะต้องมีนามไปรู้ถ้ามันไม่รู้มันไม่รู้ตัวมาเราบมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันไม่รู้เรื่องถามทุเรียนมันจิมันไม่รู้เรื่องหอกถามกระทงก็ได้ถามลางศาสได้ถามลองกองก็ได้เออไม่รู้ตัวมาหรอกใช่ไหมเพราะมันมีนามมันมีแต่พลังงานในระดับ สัญญากก็ทั้งขานแค่นั้นเวทนามันก็ไม่มีวิญญาณมันก็ไม่มีเป็นเป็นอนุปาทิมค์ังขานมันเป็นสังขานที่ไม่มีวิญญาณครองไม่กรรมครองมันไม่มีบาปมีกรรมไม่มีบุญมีบาปอะไรมันไม่มีเวทนามันมีอารมณ์ชังอารมณ์ชอบมันก็ไม่มีอ่าแคาจะแหวมันก็กินกนกินอะไรเนี่ยมันก็เจ็บก็ปวดแล้วมันก็จองเวรจองกรรมมันไม่ร้อไม่เกี่ยว วันี้มีจริงๆพลังงานระดับนี้มันเป็นแค่พีชนิยามมันจะจิต น, นิยามแต่คุณไปฆ่าเอาปูปลามาฆ่าหมูฆ่าแมวอะไรมาแล้วคุณก็มากินเนื้อมันวิญญาณของมันเน่ยมันจิตนิยามมันไม่เหมือนครูเรียนนะจ๊ะมันพยาบาทคุณนะมันจะมันปวดนะมันมีเวทนานะมันมีวิญญาณนะ มันเป็นอุปาทินฑกาสังขารนะมันไม่ใช่อนุปาทินฑกาสังขารอย่างนี้นะต้องรู้ให้ทันเพราะฉะนั้นคนกิน <P> พืชกินผักมันไม่บาปหรอกมันไม่มีบาปบุญจองเวียนจองกรรมอะไรกันหรอกมันไม่มีแต่เนื้อสัตว์คุณามาจากสัตว์สัตว์สองอย่างเท่านั้นพุทธเจ้าบอกเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรสั ปวัติธรรมสัะมีสองอย่างเท่านั้นอ่าก็คือสัตว์ที่มันตายของมันเองคนไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้จองเวรจองกรรมล้วก็ทิ้งร่างมันแล้วคุณกินไปมันมันมีอะไรไมเกี่ยวอะไรเพราะมันตายแล้วมันทิ้งร่างมันไม่มาเกี่ยวข้องหรอกไม่ไมามมวคิดอย่างคุณเลยมันห่วงร่างของกูอยู่ไม่เกี่ยวหรอกคุณเดาเองหนึ่งสัตว์มันตายเองสองเดนสัตว์กิน ซึ่งไม่ใช่คนพวม่ใช่คนที่พูดกันรู้เรื่องไปฆ่ามันก็ไอสัตว์ในดยฉานมันจะกินสัตว์เสลือมันจะฆ่าเก่งกินถ้ามันเหลือนียอย่าไปแย่งมันนะท่านบอกเอาเดินสัตว์กินเนี่ยไ่าไปแย่งมันตอนที่มันกําลังกินมันอร่อยอร่อยแล้วเอาเธอย่าหาว่าไม่เตือนเดินสัตว์กินก็ได้เหลือเศษเหลือเดินของมันก็มันทิ้งแล้วเป็นบังปังสกุละแล้วคุณก็กินได้ สองอย่างเท่านั้นนะปวัตตะมังสาที่ท่านอนุญาตให้กินนอกนั้นอุทิตสมังสาทั้งนั้ น, น, น, น, น, น, น, นซึ่งมันมีบามีเวีอยู่ในตัวอุทิตสมังสาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่ารู้ว่าเป็นอุทิตสมังสาอยากินบริสุทธิ์โดยส่วนสามหนึ่งรู้ว่าเขาฆ่ามาค้นน่าฆ่ามารู้เห็นตลัดเลยนี่เออมันเฉิอนมาเลยเห็นเลยกระตาไออย่างนี้กินไม่ได้แน่นอนสองไม่ได้รู้หรอกด้ข่าวเช่นอาหารจะบนเขียงจะขายอยู่ตลาดเนี่ย ก็รู้มันฆ่ามาดั้งนั้นน่ะไม่เห็นกระตาหรอกหรือคุณอยู่บ้านเอ๊ะเขาซื้อมาจากตลาดหรือว่าคุณได้นี่เขาก็รู้ว่ามันขาวเขาฆ่ามาใช่ไหมตัวนี้หรือมันตายเองมันเป็นประวัตะบังษาหรือเปล่ามันสัตว์เนื้อสัตว์ตายเองหรือเปล่าหรือว่าเด่นสัตว์กินหรือเปล่าคุณได้ข่าวอยู่ว่าโอ๊ยมันไม่ใช่เด่นคนบอกว่าเขาฆ่ามาคุณ ก, ก็กินไม่ได้ หรือคุณแค่สงสัยลังเลว่าเออเนื้อนี้มันประวัติสมรรษาหรือเปล่าว่าหรืออุทิศสมังษาถ้าอุทิศสมังษาอุทินี้แปลว่าเจตนาแปลว่าคนเจตนาทําให้มันตายมันตายด้วยเจตนาของคนตามครบในปาณาติบาห์ห้าข้อว่าสัตว์นี้มีชีวิตรู้ว่าสัตว์นี้มีชีวิตอยากฆ่าพยายามฆ่าฆ่าจนมันตายเสร็จครบปาณาติบาห์ห้าสมบูรณ์แบบบาปนะสมบูรณ์แบบบาป เพราะจะไปกินเนื้ออย่างนั้นมัน บ, บนาปเพราะฉเนื้อจะกินได้ประวัติบรรสะเข้าใจมากขึ้นนะปะบวัตบรรสะมันไม่สมบูรณ์ด้วย อ, องค์ห้านี้มันมีใครไปฆ่ามันมีคนไปเกี่ยวถ้าคนไปเกี่ยวอยากกินคนไปเกี่ยวอยากกินแม่ไม่ครบองค์ห้าก็ตามเช่นไอคนนี้สั่งฆ่าแล้วมันไม่ได้ฆ่าเองมันก็นวนางไปหายไอคนสั่งฆ่ากับไอคนฆ่าก็บแบ่งบาปไปกันทั้งคู่ แล้วมันก็บาปมานนางมาถึงเราด้วยอนี่คือบริสุทธิ์โดยส่วนสามแต่เขาไปเลี่ยงว่าระบุบุคคลระบุบุคคลระ บ, บุคนนี้กินไม่ได้จะบ้าเหรออธิมายกตัวอย่างให้คำๆอะ่ะเออเพื่อนนานว่าไม่เจอกันนานหนึ่งมาเจอกันโอ้โห ว่ามันต้องเลี้ยงกันในอันดิบน้ําสปลาเลยวันนี้โม น, น, นานเจอกันทีอา้าวไอ้ดูไปเอาไก่ในข้ อ, ของมาฆ่าต้มยํา ม, มาให้เพื่อนพ่อกินหน่อย เ, อเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยระบุเจาะจงให้เพื่อนคนนี้กินฆ่ามาแล้วเพื่อนคนนี้กินไม่ได้นะ่เจ้าบาปนะเจ้าบ้าเลยยังไม่ไปฆ่าทําพระอะไร ฮะ <Huh? S 2> มิชาวริชาด้วย <c ười> คือมันมันย้อนแยงมันตลกอ่ะไปอธิบายว่าอุทิศมังสาเนี่ยเรื่องบริสุทธิ์โดยส่วนสามนี่ก็เจาเพราะเจาะ จ, จ, จ, จงบุคคลคนนี้เรากินไม่ได้ถ้ากินบาปคนอื่นไม่ได้ระบุกินได้หมดเปิดช่องให้ตัวเองกินได้ไงเช่นในตลาดขายเนื้อสัตว์เอามันตลาดเขาไม่ได้ระบุใครคนใดคนหนึ่งชื่อว่ากินได้หมดไม่บาปหรอกเจาะช่องให้ตัวเองได้ซั์เนื้อสัตว์ เบี้ยวบาลีอัตมาถือว่าเบี้ยวบาลีผิษมังสาวณิชาห้าโดยข้อที่บอกว่าสัตว์เป็นๆก็จะซื้อขายกันโดยพุทธชาวพุทธเนี่ยโดยเฉพาะมังสะเนื้อสัตว์ก็เป็นเบี้ยวซะแปลบาลีในนวโกว่าในอะไรป้ายในอื่นๆก็มีตําราในเมืองไทยนี่แปลเป็นภาษาภาษาไทยเบี้ยวไปซะเบี่ยงเบนซะ อ, อะไรแต่ไร ก็ไปที่ต้องพูดชัดพูดยืนยันชัดเจนมันไปโดนใครตะใครกันตะว่าไปเถอะอัตมาก็แสดงความเห็นของอัตมาผิดถูกอัตมารับผิดชอบใครจะเอาตามไม่เอาตามมันเป็นไรน้าอัตมาก็ว่าไปอย่างงั้นน้านี่ก็แวะน้าแวะอเนี้ไปฟังตอนนี้น้าทีนี้ภาวะของพูดที่จะใช้คำว่าตอนนี้กําลังอธิบายคําว่าตัดสรู้คือรู้ตามคําสอนอุเจ้าตามพระอนุสาสนีที่ท่านตัดสอน สอบทานะตรงหมดเลยแล้วเราก็บรรลุตรงตามนี้นั่นแหละคุณรู้ตามคำตรัสเรียกสั้นๆว่าเป็นความรู้ที่เรียกว่าตรัสรู้เอาภาษาไทยมาเรียกสั้นๆเพราะฉะนั้นบางคนก็ไปเข้าใจว่าตรัสรู้นี่เป็นคำใช้แต่เฉพาะพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านรู้โดยไม่จัดก็ได้ใช่ไหมสมานสมปชัญานท่านไม่จัดก็ได้เยอะคําสอนที่ท่านไม่ได้จัดบาะคํา รู้เ่านั้นไม่ใช่คําตรัสรู้ไม่ใช่ความตรัสรู้ไม่ใช่ใดไงก็ท่านเองท่านไม่ได้พูดออกมาเท่านั้นท่านพูดมาก็เป็นการตรัสรู้ให้คนอื่นรู้ตามผู้ใดรู้ตามคนนั้นก็รู้ตามคําสอนในว่าตรัสรู้รู้ตามคําสั่งพพุทธเจ้านี่ขยายความคําว่าตรัสรู้ให้ฟังแล้วก็ไปจําเพาะอยู่แต่คนไหนที่รู้ธรรมะพุทธเจ้านี่ก็คือรู้เท่านั้นแหละเป็นปัญญายาณจะไปเรียกตรัสรู้ไม่ได้ ทาว่าของภูมิรู้ในจิตใจผู้ตัสรู้นั้นนผู้ตัสรู้พุทธธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเช่นนี้แหละที่สัมผัสและปฏิบัติจนกระทั่งรู้ของจริงขึ้นมาเนี่ยเรียกใ้ภาษาวิชาการว่าโพธิแปลว่าปรราัญญาตัสรู้หรือเป็นภาษาวิชาการของอีกคำหนึ่งของมันโดยตรงเลยเรียกว่าโพธิปรรัญญาตัสรู้คือเป็นความรู้ที่รู้ขัน้นบรรลุธรรม เพราะคำว่าโพธิ์ที่นี่เป็นความรู้ขัน้นบรรลุธรรมไม่ใช่ใต้ต้นโพธิ์ไม่ใช่คนที่ตั้งจิตปัจนาพุทธภูมิว่าเป็นโพธิสัตว์เลยเป็นสัตว์ใต้ต้นโพธิ์บรรลุไม่ได้นะถ้าคืนบนรรลุแล้วไม่ได้บรรลุแล้วอาจาังไม่อธิบายต่อแล้วมันจะยาวเวลาจะหมดแล้วนี่จะเลือไว้ให้คุณบางสรุปอ่า เพราะฉะความเห็นแตกต่างกันมีในยะสําคัญนี่แหละผู้ที่มีภูมิรู้แค่เพียงว่าแค่รู้แค่เห็นแค่เข้าใจเท่านั้นว่าโลกนี้มันก็มีแต่เพียงรูปนามแล้วก็ทําใจให้วางเฉยให้ได้ว่างั้นเลยนะโลกนี้ก็มีแต่แค่รูปนามทำใจให้วางเฉยได้เพราะว่าภูมิแค่นี้เนี่ยยังไม่ใช่โพธิภูมิแค่รู้เห็นและเข้าใจเฉยเฉยนี่ยังไม่ใช่ความตรัสรู้ยังเป็นรู้ตาม กายภาวนาที่เกิดผลแล้วคุณยังไม่ได้พิสูจน์ความจริงมีองค์ประชุมพร้อมทั้งรูปเร น, นามมีสรูปกายเร น, นา ม, มากายคุณยังไม่มีกายยังไม่ได้สัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายรูปีรูปานี้ปัสติคุณต้องสัมผัส ร, รูปทั้งหลายใ่ค่อสองทั้งข้างนอกข้างในอัจฉตังอรูปสัญญีเอโกภะิตารูปานิปัสติต้องเห็นทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งอักรูปสัมผัส มีปัจติสัมปัทเห็นเลยเป็นของส่วนตนข้อสองวิโมกทสองคุณก็ไม่ได้เกิดเลยเพราะฉะั้ไม่ต้องไปพูดถึงข้อสามสุพันเตวะอธิโมโตโหติคุณสามารถบรรลุแล้วคุณไม่ต้องไปพูดเลยคุณไปแต่สัญญาวิปลาสไปแล้วก็สัญญาว่าโอ้นิโรธเป็นอย่างนี้นิพานเป็นอย่างนี้คุณก็สัญญาไปโอ้เราได้แล้วนิโรธนิโรตก็ไปได้กินหะว่าวินิโรธเดี๋ยวคน อ, อธิบายคงยังกินต่อซึ่งอธิบายมาบ้างแล้วอธิบายใหม่ ให้เข้าใจลึกซึ้งละเอียดชัดเจนไปเลยอัตมาก็จะย้ำซ้ำําำแบบนี้นะใครลาคาญก็ขออภัยแต่ใครเห็นว่าโอ้โหดีเข้าใจลึกจําได้แม่นดีขึ้นทบทวนยิ่งดีใหญ่ถ้าใครมีธรรมรถอย่างนั้นก็อนุโมทนาถ้าใครไม่มีธรรมรถก็แล้วไปอัตมาก็ไม่รู้จะไปบังคับทัานได้ยังไงออยากจะไปกินส้มตําไก่ย่างก็เป็นนึกไปอยู่โน่ น, นไม่ฟังธรรมไม่เกิดรสไปเกิดรสส้มตาไก่ย่างมันมากวนใจ หรือไม่ก็แหมทุเรียนลูกนี่เมื่อไรผ่าเมื่อไร่าอ่านี้นมันจะเตะตายอยู่ตรงนี้เ ม, มื่อไร่พาเมื่อไรผ่าคุณไม่ฟังแล้วทำมาคุณก็ไปโน่นนะเพรางคนที่ตัดสู้ไม่ได้หรือว่าไม่เกิดความตัดสู้ในอริยธรรมของพระพุทธเจ้ากับเขาเลยนั้นอ่าคือมันไม่เกิดความตัดสู้ว่าตัดสู้ไม่ได้เลยกับไม่ตัดสู้กับเขาก็เพราะไม่สัมมาทิฏฐิแม้ในความหมายแค่นี้ ไม่สมาธิทิฐิแม้จะปฏิบัติแข่งคาดปานใดก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แจ้งในความเป็นรูปธรรมานามธรรมานั้นและปฏิบัติจนหลุดพ้นรูปนั้นนามนั้นกระทั่งมีวิสัยอยู่เหนือแลียกุตระอยู่เหนือรูปนั้นนามนั้นได้ผู้นั้นก็ไม่บรรลุธรรมนั้นอะเช่นเขาบอกว่าโอ้ทุกอย่างมีแต่รูปแต่นามปฏิบัติไปมัน ม, มีแต่รูปแต่นามเท่านั้นน่ะ ผู้ใดเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมีแต่รูปแต่นามผู้นั้นได้เห็นธรรมมาแล้วนี่เพราะหมู่อภิธรรมก็จะเรียนกันอย่างนี้สอนกันอย่างเงี้ทุกอย่างมันมีแต่รูปแต่นามแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่รูปกับนามเท่านั้นผู้ใดเข้าใจอย่างนี้นั่นแหละผู้นั้นมีธรรมมาแล้วผู้ใดผูนั้นเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแล้วไปโน่นเลยนะยิ่งใหญ่มากเลยเขาสอนอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่พิจารณากายต่อเขาไม่พิจารณารูปกายนามกาย แล้วเรามีหรือเปล่าองค์ประชุมนั้นแล้วมันมีอกุศลปะส ม, มอยู่ในรูปกายนามกายนั้นหรือเปล่าอย่างไรแค่ไหนไม่ได้เรียนรู้ความของจริงภาวะจริงแล้วก็กําจัดตัวสมุทัยอย่างแท้จริงเพราะฉะั้นเป็นพนวกกันระหว่างสัพเพ昙านตากับทุกอย่างมีแต่รูปแตนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราศึกษาภาษาเยีย่มยมสูงเท่านั้นเลยจบหมดเลยเลยจบเฮเลย ได้จบเพลย์ก็อาไปอาตมาใช้สัพ์แรงไปหน่อยนึ่งไม่ว่าเขากระแทกเขาแรงไปเพราะว่าปฏิบัติเรียนรู้ไม่ครบพร้อมทั้งวิญญาณหอยายตนะหกพัทธะหกเวทนาหกตัณหาหกตามเดบุจจาธนตรัตการจําแนกคือวิพังความเป็นวิญญาณอยายตนะพัทธะเวทนาตัณหาในบริบทแห่งปฏิจจสมุปาฏิว้ว่าต้องมีทั้งภายนอกและภายในครบห ไม่ว่าจะวิญญาณยาตนะภัสะเวทนาตัณหาชิมิชิมิหาวัาตวบาพูดไม่เป็นเด่อชิมิชิมิเพราะฉะผู้ได้เรียนรู้ทั้งหกนี่แหละจึงจะดับตัณหาสามอุปทานสี่พบสามชาติห้าตามที่พระเจ้าท่านตรัสจำแนกไว้ ในพระไตรปิดกวิพังกรสูรเล่มสิบหกตั้งแต่ข้อสี่ถึงข้อสิบแปดจึงจะพ้นชรามรณะโซกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะเพราะอาวิชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเวลามันหมดแล้วอ้าวเหลือเวลาที่ไม่มีให้ท่าน เดินดินสรุปอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงมันมันมันมันมันค้างะ่ะมันมันจะต้องเอาออกให้จบทักวักหนึ่งซะ ก, ก่อนเนี่ยตกลงยังไม่ได้มาขยายที่บอกว่าจะขยายรูปกายนามกายที่จะพูดจะขยายมหาบูตรูปสี่นา ม, มห้าแล้วมหาบรูปอีกสองเนี่ยมันจะเกิดสังเคราะห์กันยังไงสังคารยังไงฝากไว้ทักก่อน วันนี้ อ, อาจารย์ได้เข้าใจชัดอยู่ประเด็นหนึ่งที่พ่อครูพยาธิบายใหจาจารยอธิบายแทบแยกเข้าใจประเด็นเดียวชัดครับประเด็นที่ชั ด, ชด ป, ประเด็นเด <laughs> <ป>ียวเมื่อยจริงๆเ <laughs> อคอคือคนค น, คนเราที่ศึกษาศาสานาเนี่ย <laughs> บางทีเขาเข้าใจศาสนาเป็นเพียงแค่บัญญัติที่ไปเรียนมา <laughs> อย่างคําว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนตรง น, นี้เราก็ติดหูคราวนี้พอไม่มีตัวตนตอ น, นเต็มไม่มีตัวตน แต่ตายไปแล้วอ้าวไม่มีต้าไม่ลงนรกสวรรค์แล้วต้องเอาตัวตนไปตายด้วยนี่เห็นได้ว่ามันมันก็ไปไม่ถูกในธรรมนองเดียวกันมันวนมันวนมันบ้ามันสับสนเนี่ยในธํานองเดียวกันที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นพระเจ้าได้จะไปเป็นภริยามไม่ได้นะคือเป็นพระรหันก็ไม่ได้ในนี้บัญญัติที่เรียนมาก็เรียนกันมาว่าอรหันต์แล้วต้องตายสูญเขาก็กําหนดหมายกันว่าอรหันต์แล้วต้องตายสูญ เชื่อตามบัญญัติเชื่อตามภาษาที่ได้เรียนมาถ้าใครฟังหลวงปู่เนนคําเนี่ยจะเล่าประวัติของตัวเองว่าได้เคยได้เข้าเฝ้าพรุทธเจ้ามีคนเข้าไปเยอะเลย uh huh. เข้าไปกันนะ uh huh. แต่ว่าทุกคนไปในะบรรลุหมดมีตัวเขาเองคนนั้นที่ไม่บรรลุโอ uh huh. นอันนี้ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเอิออ่อนน้อถมถ่อตนนะ uh huh. แต่ตอนหลังเนี่ยที่ไม่บรรลุเนี่ยเพราะว่าอะไรมีคําที่บายต่อว่าที่ไม่บรรลุเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่พระุทธเจ้าพยากรณ์ว่า จะต้องมาสืบทอดศาสนาอีกอีกสองวันหน้าร้อยปี oh. อันนี้เป็นเครื่องเฉลยว่าถ้าไปบรรลุแล้วก็มามสืบทอดศาสนาไม่ได้เพราะเกิดไม่ได้เพราะถ้าเกิดไปบรรลุขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องดับศูนย์ยนั่นเอง ก็เลยเอาเอาเอาสิ่งที่ไม่บรรลุมาสอนครับเลยถ้าเอาสิ่งที่ไม่บรรลุมาสอนเขาเลยต้องเป็นคําอย่างทุกวันนี้เพราะยังไม่บรรลุไงเพราะว่าถ้าคือบริเวณของประชาชนคนไทยก็เลยเป็นเวณของศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้แต่มีสิ่งหนึ่งวันนี้ที่เราเข้าใจลำเลมยงเทตมายกมือเนี่ยอย่างอยากจะจะยกตัวอย่างเรื่องเรื่องหน้ากากขาวเนี้ยนะถ้าบอกว่าหน้ากากขาวเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามฮะเออตัวตัวรูปหน้ากากขาวเลยนะ ก็รูปหน้าก า, กาขาวฮะเป็นนามเหรอเป็นรูปเนี่ยแตเพาะเฉพาะท่ะานพุดเอาใครเอาหน้ากากาขาวมาเราเนี่ยเออเออถ้าเป็นหน้ากากาขาวเนี่ยเป็นรูปใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาหน้ากากาขาวมาใส่ตัวเราเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าอะไรเป็นนามเหมือนกับที่เขาวาดรูปคนใส่เสื้อ น, นอกแล้วก็หัวหมาหัวสิงหัวเสืออะไรนะั่นะนะ่ะเหมือนกันนั<ะ>่นแหละมันเป็นรูป แต่คนสัมผัสแล้วมันไม่ได้เป็นมองที่รูปหัวสิงหัวเสือกับคนแต่มันมองคนนี่เฮ้ยคนเป็นสิงคนเป็นเสือคืออะไรแต่มองเปน็ปนนามนะครเป็นนามทำไมตาตาอัมนั้นหมายถือว่าปังน้ําตีความไม่ได้เยอะนะเป็นแต่เพียงว่าเป็นแต่เพียงว่าคือวันนี้ถึงที่จะชวนงงก็คือว่าถึงที่พอเป็นรูปปุ๊บเนี่ยนะแต่ว่าพอมันเอาตุกอย่างอีกอย่างง่ายๆนะถ้าเป็นสพนี่ก็ต้องเรียกว่ารูปใช่ไหม แต่ถ้าเป็นชีวิตที่ลอยนั่นได้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าระหว่างรูปกับรูปปกายเขาจะควรจะเรียกอะไรทำเป็นตัวเราเนี่ยควรจะเรียกว่ารูปประกายใช่ไหมงั้นแสดงว่ารูปประกายเนี่ยมันมีทั้งรูปและนามแต่เมื่อกี้เมืส่วนใหญ่เนี่ยยกมือว่านามนามปกายคือคือนามประกอบนี่มีแต่มีแต่นามที่จะมันมีรูปอยู่ด้วย น, นามกายเนี่ยมันมีเฉพาะนามกายอย่างเดียวมีตัวที่ไปรู้จักรวาลรู้แรงต่างๆในนามกายสำเร็จด<า>้วยสัญญาครับ <uf S 2> นามกายสําเร็จด้วยสัญญาข้างในเอาของแห้งมาคิดโดยไม่เกี่ยวกับรูปไงแต่ถ้ารูปกายเนี่ยเกี่ยวกับรูปปารูปปังอยู่ข้างในถ้ารูปกายไม่ต้องนเไม่เกี่ยวกับมหาพูทธรูปเาอุปาทายรูปก็ไม่มีไม่เกี่ยวกับมหาพุทธรูปอุ ป, ป, <F> ปาท า, ายรูปก็ไม่มีม ก, กมมมม็เป็นเรื่องของนามกายเท่านั้น เป็นนามารูปที่ถูกรู้ข้างในถ้าไม่เข้าใจที่น้ามาฟังกันต่อกันแล้วกันตามคำนี้ตอน น, นี้จะพูดกันอีกกี่วันยูก็ดู อ, อยากสนุกไหมอ้าวไว้โปดติดตามฉบับหน้าวันนี้คงต้องกราบขอบพระคุณพรครูด้วยครับพระรูปยังสูงนะครับขออนุมทนากพวบเราทุกกคนขอจเจริญนา